بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولعدوان ا إلا الظالمين أوصلي و س ل ّ ي على أشرف الأولين والأخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت أ ن ق ر ل ن بينه จะพบข้อสังเกตว่าอัลกุรอานได้พูดถึงทุกมิติของเวลาอดีตปัจจุบันและกอ็อ น, นาคตอดีตนี่ได้ลึกไปถึงอดีต ท, ที่คนฟังกุรอานยังไม่มีใครทันได้ เช่นอดีตการตอนที่ท่านนาบีอาดัมยังไม่ได้ถูกสร้างเลยนี่เราเอามาเล่าซึ่งไม่มีมนุษย์คนไหนที่อยู่ตอนนั้นเลยเทยาเราได้สนทนากับอิบลีสไม่มีใครสามารถรับรู้ได้แล้วก็เป็นเรื่องอดีตด้วยเรื่องปัจจุบันของสมัยท่านลาวีในหมายถึงว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นเลย และอนาคตอนาคตที่นี่น่าทึ่งแม้ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาณวันเกวียนะทางกูร์ร่าฮะดีสนได้ได้กล่าวถึงเยอะแต่ที่น่าทึ่งมากกว่านั้นก็คือตัวเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันเกวียนะเรื่องที่จะเกิดขึ้นในวันเกวียนะนี่เป็นมิติของเวลา ที่จะจินตนาการเองถ้ามนุษย์คิดจะเขียนนิยายนิทานเองน่ก็คงคิดไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่ไม่มีอำนาจใดๆที่สามารถบอกได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตอนนั้นนอกจากอำนาจเดียว ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เท่านั้นอันนี้ที่น่าทึ่งมากถ้าพี่น้องลองสุรษในในใ น, นช่วงช่วงเดอ ร, รมอดนเนี่ยเวลาอ่านกุร์านผ่านสุรษ ต, ต่างต่างเนี่ยคอยเอาเรื่องนี้มาสังเกตดูเรื่องมิติของเวลาซึ่งคนทัท่วทวไปนี่ที่จะอ่านกุร์าน คนทั่วไปนี่ก็หมายถึงว่าคนที่เขาไม่ได้มีความรู้ลึกซึ้งเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องฟิสิกส์เรื่องคณิตศาสตร์เนี่ยเขาก็จะไม่ไม่ค่อยตั้งข้อสังเกตมากนักเกี่กับเรื่องเวลาแต่คนที่เรียนฟิสิกส์คณิตศาตสาตร์ดาราศาสตร์เรื่องนี้จะเป็นจุดสังเกตสําคัญสําหรับพวกเขาเพราะเรื่องเวลานี่มันเป็นเรื่องที่ ทำให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยมึนมึนมากเลยมันเป็นเคลดลับอย่างหนึ่งหรือเป็นความลับอย่างหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถเข้าถึงได้ทั้งหมดและไม่สามารถตอบคำถามหลายคำถามเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเวลาแม้กระทั่งในสมการด้านฟิสิกส์และคณิตศาสตร์เนี่ย เขาก็จะให้เครื่องหมายเป็นเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ของของค่าของเวลาเนี่ยในสมการต่างๆเนี่ยเพื่อให้สมการเนี่ยมันสมดุลตัวได้เพราะบางทีจะไปตีค่าของเวลาเนี่ยเป็นตัวเลข อ, อย่างเดียวเนี่ยมัน มันไม่ลงตัวในเวลาของวันเกียร์มาที่อัลลอฮฺสุบฮานะวาจาลาได้ปกปิดไว้อย่างสิ้นเชิงเป็นความลับที่อัลลอฮฺไม่ได้เปิดเผยไม่ได้เปิดเผยความจริงของมันแม้กระทั่งบรรดานบีที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺและบรรดามาลายกาที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ ไม่มีใครรู้เลยว่าวันเกียร์มาเนี่จะเกิดขึ้นเมื่อไหรทุกสิ่งทุกอย่างนี่พอที่จะเดาได้ยกเว้นวันเกียร์วะไม่มีใครสามารถเดาได้ว่าจะเกิดเมื่อไหรความตายที่เราีเรียกกันว่าอะเจลนี่ความตายของเราเนี่ยอัลลอฮฺอาจจะเปิดให้มาเลากาบางท่านเนี่ยรับรู้ได้ว่าคนนี้จะตายเ ม, มื่อไหร่มายลกูลมาอุตมลกาที่เรบพิชอบยดวิญญาณนี่ก รู้แน่นอนพอต้องไปลงมือยึดวิญญาณมาไหน ก, ก็จะรู้แต่วันเกียม ะ, ละ้ล่ะแม้กระทั่งอิสราฟีลที่มีหน้าที่เป่าสั่งหรือเป่าเครื่องเป่าเนี่ยเพื่อออกสัญญาณถึงวันริเริ่มของวันเกียรมะที่ท่านละบีเคยบอกว่า มาเลยก์ก็าท่านนี้เนะี่ยอิสราเอลวินเนี่ยกำลังจับเครื่องเป่าอยู่นะรอบัญชาของลอสุภาโนวดาไม่ไม่ทําอะไรทั้งสิ้นนะจับเครื่องเป่าอยู่นะี่รอที่จะอัลลอฮ์สั่งให้เป่าอย่างเดียวตัวเองยังไม่รู้นะเลยอะไรก็ที่กำลังรอคอยคําสั่งของพระเจ้าจะได้เป่านี้ยังไม่รู้เลยจะเป่ามื่อไห่ถ้าได้สังเกตเรื่องนี้ พนัวกับเรื่องเที่ยวรอนเล่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันเกียร์มะหมายรวมว่าวันเกียร์มันยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็กําหนดการยังไม่มีใครรู้แต่รายละเอียดที่จะเกิดขึ้นในวันเกียร์มันหลายเรื่องเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะวะตะเดล่าไว้แล้วความอัศจรรย์นี้มาอยู่ตรงนี้ ในเรื่องที่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่อัลลอฮ์ได้เล่านะว่าว่าไอที่ไอที่ไม่รู้กันว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆพระองค์นี่เล่าให้เราได้รับรู้แสดงถึงเดชานุภาพของพระองค์ว่านี่วานี่คือพระเจ้าที่แท้จริงเพราะถ้าอัลลอฮ์ไม่ได้เป็นพระเจ้าแห่งวลเกียรมาเนี่ยพระองค์จะรู้ยังไงอะเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้น และความหมายนี้ที่เราจะต้องริ่มเลขทุกครั้น่อนไปติฮะอายะที่อัลลอฮฺบอกว่าแมาลิกเยวมิด ص ص ص ص الد ين. الد ين. ดีนแมลิกผู้คอบคองผู้ยึดอำนาจวันการสอบสวนหรือวันแห่งการสอบสวนอดีนอดีนตรงนี้ดีนแปลศาสนาใช่ไหมแล้วก็ดีนไปว่าสอบสวนเดยนุน่ะแมลิกครอบคองพระองค์ คือผู้ทรงมีอำนาจเบ็ดเสร็จของสารสากลสากลละโลกในสุรัตยูนุสตีจะพูดถึงพวกปฏิเสธศรัทธาและปฏิเสธคำพีเคยบอกว่าสุรัตยูนุสเนี่ยสนทนาส่วนมากเนี่ยต้องการพูดคุยกับพวกมุชริกีนที่มีท่าทีไม่ยอมเชืนะ่อนบีไม่ยอมเชืนะ่อในคุราน ดนั้นนื้อหาต่างๆในสุรษยูนุสนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องเรื่องนี้เรื่องพวกที่เขาไม่ยอมเชื่อและแสดงสัญญาณเครื่องหมายอะไรบางอย่างที่จะดึงดูดความสนใจของเขาเนี่เป็นเรื่องที่ต้องศึกษานะต้องเรียนรู้นะต้องเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะามาถึงจุดที่สุรษยูนัสเนี่ยอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ได้เปิดเผยความลับบางอย่าง ซึ่งเป็นความลับที่น่าสนใจเพราะมันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับท่านนาบีและก็พวกมุชริกีนก็คือการที่ท่านนาบีอรียกร้องให้เขาได้ละทิ้งจเจวิตสิ่งอื่นที่ถูกส ก, การะอื่นจากอัลลอ์และเขาไม่ยอมเขาดื้อดึงกับท่านนาบีและก็ไม่ยอมทิ้งจเจวิตและก็พาคีต่างๆที่ได้อุปโลกขึ้นมา ซึ่งในคุรานและฮะดิซเน่ก็จะมีตัวอย่างแบบนี้หลายตัวอย่างที่อัลลอฮ์เราซูลเน่มาเล่าว่าวันเกียร์มาเน่จะเกิดขึ้นแบบนี้นะพวกที่พวกคุณทําที่พวกคุณพูดแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้นะผลลัพธ์บั้นปลายนี่มันจะเป็นแบบนี้นะที่พวกคุณกําลังโต้เถียงตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่นะเดี๋ยวที่หลังนี่มันจะเป็นคนละเรื่องเลยนะ มิติของเวลานี้นี่คือคือคือมิติหลังชีวิตด้วยนะหมายถึงว่าหลังจากที่ได้ตายไปแล้วแล้กิฟื้นฟูคืนฟื้นคืนฟื้นชีพไปแล้วเนี่ยไปอยู่กันอีกชีวิตหนึ่งแล้วเนี่ยซึ่งมิติของเวลานี้มันเป็นอัศจรรย์ที่ทําให้คนที่ไม่เชื่อในวันปรโลกเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาก็จะจะตั้งจะตั้งติดสังเกตในประเด็นนี้ พระารับส่วนมากเนี่ยสืบทษศาสนาของท่านน บ, บีอิบราฮิมซึ่งมีความเชื่อในอัลลอฮ์และปุโรโลกแต่อยู่ไปอยู่มาเนี่ยกลายเป็นเป็นสังควมวัฒนธนิยมเชื่อเชื่อในสิ่งที่สัมผัสอย่างเดียวเป็นคนเป็นคนตายเป็นตายเป็นแต่อยู่กันอย่างนี้เนี่ยหลายพันปีไง อหรับยกันที่คาบสมุทรอาหรับนี่หลายพันปีนะไม่มีนบีรัสูละตั้งแต่นบีอิบราฮิมอิสมาอินะนถึงนบีมุฮัมมัดไม่มีนบีเลยเหมือนบรนดอิสราเอลบอิสราเอลี่ปฏิเสธตั้งแต่ตั้งแต่นบีตั้งแต่นบียาคูบยาคูบอิสหักแล้วก็ยูสุฟยๆอิสหักแล้วก็ยาคูบแล้วก็ยูสุฟเราปฏิเสธละรนเลนนี่ปฏิเสธกันละ บ people, also, <you> ิดผิวกันแล้วและแต่ละรุ่นเนี่ยเกือทุกร้อยปีเนี่ยก็จะมีนบีท่านใหม่มาเพราะเบลุอิสโรอินเนี่ยช่างปฏิเสธปฏิเสธง่าแต่อารับเนี่ยเขาอยู่กันเป็นเป็นพันปีเนี่ยอยู่กันได้หลายพันปีเนี่ยรักษาไว้แล้วในเรื่องเรื่องอัคคีเดเรื่องความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียว ตั้งแต่นบีอิบราฮิมถูกอยู่นบีอิบราฮิมถึงท่านนาบีมุฮัมมัดเนี่ยหลายพันปีบางเทศนะบอกว่าสี่ห้าพันปีนะ่ะเพิ่งมาเปลี่ยนอากีน่าของเขาเนี่ยมาเริ่มบูชาจเจวิตเนี่ยสามรปีก่อนท่านนาบีมุฮัมมัดมาเทศนาเพียงสาวแสดงว่ากี่พันปีละโอ้โหเป็นพันพันปีนะเขาเลิกษากีน่าไว้อย่างดีเลยนะ อาจจะมีอะไรที่มันผิดพาพไปพอเริ่มบิดผิวในเรื่องความเชื่อที่สำคัญนความความเป็นเอกะของพระเจ้ามันก็เลยเกิดความเสื่อมเสียในเรื่องความศรัทธาในสิ่งรึกลับ <laughs> สิ่งรึกลับนี่ที่ชัดเจนเลยก็คือวันเกียรมาปฏิเสธปรโละนั न, न ้นกุลานในยุค ที่ทนบีเผยแผ่อิสลามที่มักกะเนี่ยส่วนมากก็จะพูดถึงเรื่องปรโลกเรื่องวันเกียร์มะยูนุสนี่ก็เป็นโซรามกียะอย่างที่เราเคยอธิบายเป็นโซรามกียะถูกบรรทัลงมาที่มักกะเนื้อหาสาระนี่ส่วนมากกับผู้บริสัทธาในเนื้อหาที่เขาปฏิเสธมากกว่าวันเกียรมะลาเราจะเกิดขึ้นในวันเกียรมะ และในส่วนที่มันจะเกิดขึ้นในวันเกว่าเนี่มันเกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยที่เขากําลังโตเถียงกับท่านนาบีเนี่ยสำหรับเราล่ะงานนี้เราเกี่ยวข้องอะไรกันล่ะเราก็ไม่ได้เป็นผู้ปฏิเสธทาสทีไม่ได้เป็นผู้ตั้งภาคีทีไม่ได้เป็นชาวมักกะที แ ล, ล้วเราก็มาดีปฏิเสธวันเกียรมาเสียทีถ้าเราได้อ่านอายะของวันนี้แล้วสองสามอายะที่จะพยายามอธิบายให้หมดแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเวทีของวันเกียรมาเดียวมาจะเล่า ว, วันนี้เนี่ยให้เราฟังสามอายะนี่นะมันเป็นเวนทีตัวอย่างของตัวอย่างผู้ฝาฝืนพระเจ้ า, านี่กล ม, มิง แต่ผู้อธิฟ่าฝืนพระเจ้ากลุ่มอื่นเนี่ยไม่ได้มารวมว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยเกี่ยวสิแต่นี่คือเลวที่สุดคนที่เลวที่สุดคือคนที่ตั้งพาคีก่อเนาะอย่างชัดอย่างตรมตั้งพาคีเนี่ยเอาอะไรอุบโลกอะไรก็ไม่รู้มาอ้างว่าเป็นพระเจ้าที่สามารถช่วยเหลือได้ทำให้หายป่วยได้ให้เป็นคนรวยได้สามารถชี้ชะตากรรมได้ น, นี่ ตางความคีแบบนี้เนี่ยนี่คือเรวที่สุดแล้วปฏิเสธวนเกียรมากปฏิเสธคำคำสั่งสอนพระดำรัสของพระเจ้าอย่างชัดเจนแบบนี้นี่คือเรวที่สุดอัลลอฮ์ก็เลยในบุชการบางท่านเนี่ยจะพูดใช้คําว่าในกุศลเนี่ยเลาได้จําลองจําลองเหตุการณ์ที่จร่งจะพูดคํานี้กับอัลลอฮ์นี่มันไม่ควรไงเราไม่ได้จําลองอัลลอฮ์พูดท่านเล่าถึงเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดเนี่ย แสดงว่าเรื one, oriented, ่องนี้มันจะเกิด <ads> ข <fois> ึ <diamond> <Titan> ้นตามนี้เลยตามนั้นเลยตามรายละเอียดนั้นเลยแต่คำว่าจำลองนี่คำว่าจำลองนี่คล้ายๆคำว่าเหมือนแล้วถ้าใช้คำว่าเหมือนนี่ก็แสดงว่ามันคนละอันกันมันคนละอย่างกันอันนี้เหมือนอันนี้แสดงว่ามันคนละอันกันนะไม่ใช่อนี้อันนี้เลยอย่างนี้ตามนี้เลยเหมือนแสดงว่าเหมือนแบบนี้เลย แบบนี้เลยไม่ใช่แบบอื่นนะความเชื่อความศรัทธาในคุตตานในสิ่งที่อัลลอฮ์เล่าเนี่ยว่ามันจะเกิด ข, ขึ้นตามที่อัลลอฮ์ได้เล่าเนี่ยเป๊ะ เ, เลยเรายิ่งทราบซึ้งในเรื่องนี้เรายิ่งมีโอกาสที่จะได้เห็นอัศจรรย์ของคุตตานหลายอย่างเช่นตัวอย่างที่ผมจะให้พี่น้องได้เห็นนะครับในอายะของวันนี้ ไอ้สิบแปดเนื่องสิบเนื่องจากที่อัลลอฮ์ได้เล่าเรื่องคนที่ทําความดีจะรับดีคนที่รับความทชั่วก็จะรับความชั่วและนี่คือสมาการที่อัลลอฮ์บอกว่าอย่าอ่านมากมายให้พวกเราได้คํานึงว่าว่าทําอะไรเนี่ยอย่าลืมว่าเราเราทําโดยไม่มีผลลัพธ์บั้นปลายในโลกหน้าต้องมีมันต้องมี มันเหมือนมันเนี่ยมันเหมือนสมการที่เราต้องตั้งไว้สองสองฝั่งเนี่ยโลกนี้และกับโลกหน้าถ้าใครที่คำนวณอะไรในชีวิตเนี่ยโดยสมการเนี่ยมันจะไม่มีคำว่าโลกหน้านี่นะสมการนี่มันเพี้ยนมันเพี้ยนทุกอย่างที่เราคำนวณก็ต้องคำนวณว่ามันมีมันมีวันหนึ่งที่เราต้องพบพระเจ้า แล้วมันมีคนหนึ่งที่สิงที่ได้สะสมไว้ในโลกนี้เนี่ยก็จะเป็นในโลกน่ะวันเยาว์มานั่งชุ่มห่มจมีอันทั้งมานั่งพูดกับที่นั่งที่นั่งี่นั่งที่นั่งที่นั่งที่นั่งที่ั่งทีั่งที่นั่งที่นั่งที่นั่งที่นั่งที่นนั่งที่นั่นั่งันีนทังทังนทังนี่ คนที่ทำความดีแลวกับคนที่ทำความชั่วอิมามอิบเนกะซีได้ใช้คำว่าอินซฮุมวะจินนฮุมบัรรุมวะฟาดิรุมอินซฮุมมนุตตั้งายจินนฮุมใครจินในบรรดาผู้ที่ถูกชุมนุมอ่ะจินด้วยอย่าถามว่าลผีไปไหนอะ ผีเปอยู่ไนยะเนี่ยนะอินทร์ซมผีก็คืออินทรนเดียวกันนะนนี้ตามความเชื่อของมุสลิมผีนี่ก็คือวิญญาณของมุสลิมนะยูนันน์ด้วยแต่จินนี่มันไม่ใช่ผีนะคนละคนละอย่างอินทร์ซ่อมวจินน์ฮุมบาร์ฮุมว่าฟาจิรฮุมบาร์ฮุมคนดีของทั้งสองและคนเลวว่าฟาจิรฮุมคนเลวทั้งสองกลุ่มนี่แหละทั้งมนุษย์และจินเนี่ยทั้งดีและคนเลวเนี่ยไปหมดเลย ถูกชุมนุมหมดเลยตอนแรกมัูกชุมนุมที่เดียวกันก่อนนะไปไปที่เดียวกันอาราซาตุยลกสนามพื้นที่ของวันกียมถูกชุมนุมที่เดียวกันหมดเลยชีวิตอื่นล่ะสัตว์ประสัที่มีชีวิตน่ะสัตว์ถูกชุมนุมไหมไหมในอะเนี่ย ได้พูดถึงคนที่ทำความดีก็จะรับผลดีคนนี้ผลดีคนคนีนน้ทำความชั่วก็จะรับผลชัว่วนี่หมายถึงว่ามนุษย์ละยินเพราะมนุษย์ละยินเท่านั้นแหละที่ถือว่าเป็นมุกันลาฟมุกันลัฟแปลว่าถูกใช้ให้ทำแลวจะถูกตอบแทนตามที่ถูกใช้อนนันมน้มุกันลาฟมุกันลาฟจะต้องมีสองเงื่อนไข ต้องบรรลุศาสานาวะแล้วก็ต้องมีสติปัญญาต้องสมประกอบบเกอาิลบลกอาิลบเลกอาิลงื่อนไขของมุกลัฟก็มีมนุษย์และยินแต่ในหลักฐานอื่นเนี่ยได้บอกว่าที่ถูกชุมนุมเนี่ยไม่ใช่มนุษย์และยินอย่างเดียวสัตว์ด้วยนอท่บุคารีถ้าจำไม่ผิด ท่าน نبي صلى الله عليه وسلم ได้บอกว่านวันเกิมันยุตตุยุตตุลิลจัมอิมีนัลกอรวันเกี่ยมัจะมีสารพิภักษาตัดสินระหว่างแพะที่ไม่มีเขาแล้วก็แพะที่มีเขาแพะที่ไม่มีเขาเรียกว่าจัมมะแพะที่มีเขาเรียกว่ากอรณะกอรณะมาจากกอนเหมือเขา มีเขาทําทไมอ่ะเพราะในโลกนี้เนี่ยมันเคยมันเคยชนกันมันเคยทะเลาะกันชนกันไอที่มีเขานี่มันก็ต้องได้เปรียบมากกว่าใช่ไหมเหมือนมนุษย์สงคนเนี่ยวันเวลาทะเลาะ ก, กันไอคนที่มีอาวุธนี่ไม่ต้องอาวุธก็ได้คนที่มีลปเล็บปอย่างเงี้ยวาเล็บนี่ได้เปรียบมากกว่าัยกต اء, ยิรนุอ๋อ สินแล้วก็ชําระหนี้สินระวังเนี่ยระวังสัตว์ด้วยนะก็แสดงว่าในพื้นที่วันเกียร์มาเนี่ยเราก็จะเห็นสัตว์ที่มันเคยทะเลาะกันรอที่จะถูกตัดสินถูกตัดสินแล้วนี่นะอ่าเพราะไอ้ที่ไปมีเขานี่ไปชนนี่มีเขานี่ ไ, น ไ, นได้ชําระแล้วนะหน้าสิทของของมันแล้วเนี่ย แล้วก wa, ็จะสั่งให้สัตวสัตว์ทั้งหลายเนี่ยกลายเป็นทรายเป็นดินแต่ตอนนั้นเราคนชั่วพอเห็นบรรนย์ายของสัตว์นี่มันเป็นทรายเป็นดินนี่คือจบแล้วไงพอเป็นทรายเป็นดินจบแล้วไงไอพวกนี้เนยมันเกกูลียตวกวราโอ้ถ้าฉันเป็นทรายเนี่ยเป็นดินเนี่ยมันน่าจะสิ้นมันน่าจะ แต่อันนี้ดูแล้วเนี่ยฉันน่าจะต้องปิ้งย่างต้องฉบูไปรู้กี่พันปีในนรกแสดงว่าสัตว์ด้วยจะถูกชุมนุมด้วยพื้นที่เดียวกันนะแต่อันน่าจะไม่ให้มนุษย์นี่ทั้งหมดเนี่ยรวมถึงสัตว์ทอยู่ในพื้นที่เดียวกันจะมีการจำแนกุมมงนะกูลลิลีลลนะ่ีนท่านพู ในกุณอ่านนี้มีอยู่กลุ่มเดียวที่อลัลลอฮ์บอกว่ามีการจําแนกแล้วเราจะกล่าวแก่บรรดาผู้ตั้งภากีว่าจงอยู่ณสถานที่ของพวกเจ้าอยู่ที่นั่นอยู่ที่นั่นอย่าเปลี่ยนที่อย่าไปไหนนะฟาเซย์ลนาเบย์นะฮ์พวกเจ้าและบรรดาภากีของพวกเจ้าแล้วเราได้แยกพวกเขาออกจากกัน จงอยู่นะสถานที่ของพวกเจ้าพวกเจ้าและบรรดาพาคีของพวกเจ้าอันตุมวชุรกาอุกุมพวกเจ้าและก็บรรดาพาคีของพวกเจ้านี่นะอยู่ที่นั่นะอยู่ตรงนี้นะอย่าไปไหนนะฟะเจยลนบนะฮุมและจำแนกละเราได้แยกพวกเขาออกจากกันตอนแรกนี่ก็จำแนก พวกที่ตั้งภาคี Allah กับอัลลอฮ์้วกับพากีของเขาเนี่ยแยกจากพวกที่ไม่ได้ตั้งภาคีเนี่ยนี่มีอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่ตรงนี้เลยไปไหนนะแล้วก็แยกระหว่างไอ้พวกที่ตั้งภาคีเนี่ยพวกที่บูชาอื่นจากอนะัลลอฮ์ะแล้วก็สิ่งที่ถูกบูชาอื่นจากอัลลอฮ์จะได้นึกภาพนะความหมายคุตตานบางเล่มเนี่ยก็จะบอกว่าแยากผู้ที่ตัง้งบากีภาคี นั่นของอาจารย์เรกเนี่ยเขาบอกแยกผู้ที่ตั้งพารีและเจวิตคือเขาบอกว่าภาคีเนี่ยเขาเรียกเจวิตอย่างเดียวเพราะเขาอธิบายตามสถานการณ์ของท่านนาบีสมัยท่านนาบีเนี่ยมุชริกีเนี่ยเขาบูชาเจวิอย่างเดียวแสดงว่าภาคีที่ที่กุรอรานหมายรวมก็คือพวกเจวิเนี่ยแยกมนุษย์เนี่ยกับภาคีที่เขาไปตั้งอุปลโลกกับอัลลอฮ์สุภาโนอัต ลองนึกภาพนะนี่คือรายละเอียดรายละเอียดของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันเกียร์มาซึ่งไม่มีใครสามารถคือถ้าใครจะมาคิดนิยายนิทานอะไรนี่ไม่ซวยไม่สามารถที่จะถึงจะคิดนิยายนิทานเนี่ยแต่เล่าเรื่องมันก็จะเป็นเรื่องเล่าที่ไม่สามารถบังคับให้มันเกิดขึ้นจริง แต่เรื่องนี้ที่เราเล่านี่คือเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นจริงในวันเกิดมัมันมีมันมีข้อผูกพันกับมันนั่นก็คือเรื่องศรัทธาว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วจะเกิดขึ้นจริงนี่นี่คือข้อแตกต่างระหว่างนิทานที่มนุษย์เขียนกันเองนะนะเขียนไปแต่มันจะเกิดขึ้นตามนั้นไดเปล่าแยกนะแยกกันแยกออกกันว่ากอละชรกอมที่จะพูด ฝ่ายแรกที่จะพูดนี่ก็คือก็คือพวกภาคีวะก้อนแล ะ, ชะโชระกอ้โหและบรรดาภาคีของพวกเขากล่าวาว่าเจวิตนี่พูดเจวินี่จะพูดวันเกียม่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่ย่อมเกิดขึ้นได้ถ้าอัลลอฮ์นี่บัญชาให้เกิดขึ้นมือเรานี่จะพูดได้ก่อนหินที่จะเป็นพยานพูดได้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่พูดได้ เจ้าเวทที่ถูกตั้งพาคีกับองนอนเนี่ยก็จะพูดกล่าวว่ามากุ้นตุมอียนาตาบุดุไม่ควรเลยที่พวกท่านจะเคารพสักการะต่อเราไม่ควรเลยคืออย่างนี้ตามประโยคเนี่มาคุ้นตุมกับการปฏิเสธ แม่กุนทุมียานาตาบุญพวกเจ้าไม่ได้เคารพสักการะพวกเราเลยหมายรวมว่าไอิบาดะที่พวกเจ้าทํากับเรานี่นะมันไม่เกิดขึ้นทําไมอ่ะเพราะอิบาดานี่มันต้องมีการโต้ตอบอิบาดะนี่ไม่ใช่ไฟเดียวไอิบาดะนี่ไม่ใช่ายเดียว ฉะนั Lord, Valerie, ้นในคุรานนี่พูดถึงคุณในลักษณะของอัลลอฮ์ที่สําคัญแล้วก็พูดย้ํำมาพูดตลอดเลยนะย้ํำมะพระเจ้าของเราเนี่ยอินนบีก็เคยพูดกับซาบานี่บอกว่าอินนักุมละตะโดนอัซมะวะละอิบะพวกเจ้านี่ไม่ได้ขอรัวพระเจ้าที่หูนวกหรืออยู่ไหนก็ไม่รู้ไม่พระเจ้านี่รู้ว่าพวกเจ้าอยู่ไหนได้ยินเห็นพวกเจ้านี่รู้พระองค์รู้ ในคุฎานนี่สมียอัลบาซิรผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็นอันนี้มากมายถูกระบุเยอะในกุฎานเพื่อให้ผู้ศรัทธานี่รู้ว่าการอนบารณะทาไมบารณะสักการะของเราเนี่ยมันมีการโต้ตอบเราทําไมบารณะทุกชนิดนี่พระองค์ทรงได้ยินทรงเห็นและโต้ตอบซึ่งอายะอื่นนี้ก็จะมีบอกว่าโต้ตอบอยังไงด้วยเช่น อย่างเช่นฮ ادي ซีท่านนบีได้บอกว่าทุกครั้งที่เราได้อ่านฟาดิฮานี่เราจะมีการโต้ตอบมีสนทนานี่คนอ่านฟาดิฮากันทั่วโลกนี่เราจะสนทนาอย่างไงเหมือนวันเกียร์มาเนี่ยคนมากันตั้งแต่อดัมจนวันเกียร์มานี่จะคิดบัญชียังไงอะแลจึงต่อวนนยอ่นอินนัลลอฮซรีอุลฮิซพราะองค์สู้รวดเร็วในการคิดบัญชีแทนนั้นเราอยาเอา มาตรฐานของเราเนี่ยไปวัดกับ Allah, อัลลอฮ์อ่อัลลอฮ์จะสนทนากับคนที่อ่านฟาติฮะเนี่ยเราอ่านฟาดิฮะกันทั้งโลกอย่างเงี้ยอัลลอฮ์จะสนทนายัางไับทุกคนอาวันอัลอร์ฟาเนี่ยอยู่กันสองล้านคนน่ยที่มีนอาอัลอร์ฟานี่ขอดูเอาเวลาเดียวกันแนตะ่คนละภาษาเนี่เราจะได้ยินยังไงพระเจ้าคือถ้าว่าเราไม่เชื่อพระเจ้าทําได้นี่ยนะแสดงว่าเราเร า, เราขาดความศรัทธานในในพระเจ้าที่สมบูรณ์ แต่ถ้าเราเชื่อพระเจ้าแสดงว่าเราเชื่อแล้วว่า้คือพระเจ้าจริงพระเจ้าไงมั้ต้องพระเจ้าต้องทําได้呀ถ้าทําไม่ได้นี่ก็ไม่ใช่พระเจ้าอย่าศรัทธาไปเลยไม่ต้องศรัทธาศรัทธาไม่ได้หรอกไม่เข้าท่าแต่นี่ทําได้เราเชื่อว่าพระองค์ทําได้จึงเป็นพระเจ้าจึงสมควรที่จะศรัทธาเนื่องจากว่าแต่ไม่ได้ไม่ได้นะไม่เชื่อหรอกไม่ศรัทธาหรอกพระเจ้าพระเจ้าทำแบบนี้ไม่ได้เนี่ก็ไม่น่าเชื่อ ทำได้ไอ้พาคีจาเว้นี่มันบอกกับมุชริกีนวันเกีย่ยมานี่บอกว่าพวกเจ้าเนี่ยเนรัศ ก, กระเราหรอกเพราะการศั ก, กระนี่มันต้องโต้อ ต, อตอบแต่ที่จริงเนี่ยเราไม่รู้เรื่องเลยนี่พวกพวกคุณนี่มาทำอะไรมากลับว่าเราไม่รู้เรื่องเลยตอนในโลกนี่นะพวกคุณคุณมาเส้นไหวามาอะไรไม่รู้เรื่องเลย รสชาติอะไรที่มาวางข้างหน้านี่ก็น้ำดึง น, น้ำแดงวะวันตินอะไรแต่ไม่อะไรนี่คืออะไรนี่คือความหมายหนึ่งแม่กุ้นตุมอียรนัตตาบูตุนี่คือความหมายที่ถูกนะว่าพวกเจ้านี่ไม่เดาใบาดะเรารอเพราะการไอ้ใบนี่มันต้องเป็นการโต้ตอบแล้วเราไม่เรื่องดูอายะถัดไมาจะพูดถึงเรื่องดูเขาไม่รู้เรื่องเราเป็นพยานว่าเราไม่รู้เรื่อง อีกทัศนะหนึ่งบอกว่ามากุณทุมอียานตะบุดลพวกเจ้าเนี่ยไม่ได้สักการะเราหรอกที่จริงเนี่ยพวกเจ้าเนี่ยได้สักการะความโลภสักการะอารมณ์ของตัวเองสนองความต้องการของพวกเจ้าเองและอุปโลกนี้ขึ้นมานี่เพื่อแอบอ้างสิ่งที่พวกเจ้าอยากจะอยากจะทำให้ตัวเอง ซึ่งทั้งสองความหมายนี่มันก็เกิดขึ้นจริงเพราะคนที่อุปนกุกคนที่สั ก, การะคนที่ตั้งพากีเอามาสักการะและพากีนั้นนะ่ะไม่สามารถโต้ตอบได้เนี่ยมันแสดงว่ามนุษย์ที่ทำแบบนี้นี่นะไม่มีเหตุผลเลยที่จะให้พากีเหล่านี้เนี่ยที่ไม่สามารถโต้ตอบอะไรเลยนะ มาเป็นพระจาไม่มีเหตุผลเลยแค่นั้นท่านนาบีอิบรอฮิมมาไปต่อเถียงบิดานี่ที่เป็นช่งางสร้างเจวิทนะยาอับตีลิมาตาบุดูมาลัยสมาอูวานายุบุซรุวานายุคนี้องก็ใช่พระจ้าท่านจะบูชาสักการะสิ่งที่มันไม่ได้ยินสิ่งที่มันไม่เห็นมันไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยทำไมนี่ เขมีเหตุผลอะไรอะรู้ๆกับตัวเนี่ยเพรปั้นปั้นเองเคยได้ยินวลีของโจนโจนที่เขาโจนคอร์เซนเตอร์นะ่ะที่เขาเป็นหลอกชาวบ้านนะ่ะพอมาแบ่งเค้กกันนะ่ะเขาบอกว่าเราปั้นกันเองนะใช่ไหมแต่ตัวนี้เขาไม่ใช้กันแล้วเขาเขียนโค้ดกันเองพวกคอร์เซนเตอร์เราเขียนโค้ดกันเองอ เ, อรนะเราเ เราไปปุน้นบัญชีมันเองอะเราเป็นคนทํากันเองบ้นกันเองเราจะไม่รู้เหรอไ้ที่เราหลอกชาวบ้านเนี่ยไอที่เราทํานเรารู้เรารู้แก่ใจเนี่ยว่ามันเป็นเรื่องอุปโลกัยไม่มีเหตุผลหรอกเหตุผลที่จะที่จะอธิบายว่าเนี่ยภาคีเนี่ ย, เ, ยเป็นพระเจ้าที่แท้ทจริงไม่มีเหตุผลพ่ออาหรับได้ เห็นท <significa> no, ่านนบีมุฮัมมัดสุลตานอสซาลัมเทศนาเรื่องนี้ซึ่งผ่านไปแล้วสามร้อปีที่เขาได้บูชาเจวิตทั้งหลายเนี่พอเห็นท่านนบีมุฮัมมัดเริมเทศนาเรื่องนี้เรื่องเจวิตบูชาเจวิตได้ไงมันไม่สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่พวกพวกท่านมีอุปโลกัยปั้นขึ้นกันมาเองปัญญาเกิดขึ้นสําหรับวัยรุ่นเยาวชนวัยรุ่น ที่เริ่มเริ่มใช้สมองคิดละก็อเห็น่านนา้นแบบมีนเริ่มคิดละเหตุการณ์เกิดขึ้นที่มา ด, ดีนะซึ่งเป็นชาวมา ด, ดีนะคนหนึ่งที่ยังไม่ยอมรับอิสลามแต่มีรุ่นลูกเขาคนหนึ่งเนี่ยรับอิสลามแล้วแล้วก็พ่อเขาเนี่ย <c oughs> จะมีจเจวิตที่บ้านนี่เขาเคารพมาก เขารับมากต้องทำความสะอาดทุกวันต้องใส่น้ำหอมจุดธูปอย่างดีเลยอันนี้เราพูดถึงพูดถึงเมื่อไหร่นะนู่นน่1400ะพันสี่ร้อยกว่าปีในสมัยาศาสดามุ h ัมมัดที่อื่นไม่เกี่ยวนะลูกเขาเอาเจวิตเนี้ยไปโยนกองขยะอันนี้พ่อก็มา ไหนอยู่ไห น, นลูกหาอะไรพ่อจะหาอะไรพระเจ้าของฉันหายพระเจ้ากูหา ย, าหายลองดูนู่นนี่นหายงไงลองไปดูตรนู่นอ้นาวไปเจอที่กองขยะเอามามาล้างมาอาบน้ําใส่น้ําหอมอย่างดีจดทูบไหม่อะ อีกวันหนึ่งหาอีกไปหาอีกล้างทำความสะอาดตุ๊ดทุอีกวันหนึ่งเท่านี้นหะแย่ที่สุดเลยอีกวันหนึ่งไปเจอที่กองขยะแต่หมากำลังฉี่ใส่กำลังอินิปัญญามอับบุนเยบูลสุลบานุบิฮิอับบุนเปเทา ไปได้ไงอ่ะให้สุนัขตัวเล็กๆเนี่ยมีชีสายอย่างนี้ที่ใช่เลยอะ่ะเป็นระชาได้ไงอ่ะปัญญาเกิดขึ้นอะไรที่มันไม่สามารถช่วยตัวมันเองได้เนี่ยแล้วมันจะช่วยมนุษย์ยังไงอมนุษย์ปั้นมาเองเนี่ยสร้างมาเองแล้วก็รู้นี่ว่าตอนสร้างนี่มันผ่านขั้นตอนมันเป็นยังไงนี จะหมูไม่เคยนี่นะบาดด้บาดไครับขั้นปากมันอย่างนี้หน่อยแนหะลมหน่อยโอ้ยมันอย่างงี้นี่นะหมายถึงว่าเรากําลังสร้างกําลังสร้างสิ่งที่เราสักการะแล้วก็เชื่อว่ามันสร้างเราหรือมันมีอิทธิพลต่อชีวิตของเรา นี่แหะคือเวทีที่อัลลอฮ์จะให้เราได้เห็นการสนทนาที่มันควรเกิดขึ้นในโลกนี้เนี่ยแต่มันจะเกิดขึ้นในโลกหน้านะเกิดขึ้นจริงอัลลอฮ์สะท้อนให้คนในโลกนี้เนี่ยได้เห็นว่านี่นะมันตายมันจะเป็นแบบนี้นะถึงบอกว่านเนี่ยเล่าอะไรแบบเนี้ยในยุค ข, ของท่านรบีเนี่ยเขาต้องทึ่งดิอ๋อมันจะเป็นแบบนี้เองเนี่ยเพราะฉะนั้น กุตอาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงที่จะปรับสมองของชาวอาหรับทั้งหมดเลยเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องการบูชาชาวิตเวิตไม่ยืนยันว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยที่บูชามาบูชาเรามาสักการะเรานี่ไม่รู้เรื่องแล้วยังให้อัลลอฮ์เป็นพยานด้วยฟะกะฟะบิลลาฮิชาฮิดันบายนะวะบายนะคุม อิงกุ้นนาไอหน่อยแบบเดียวกุมละก็ฟิลิดังนั้นจึงพอเพียงแล้วที่อลลอทรงเป็นพยานเจวิตเนี่ยอ้างอัลลอฮ์เป็นพยานนะอ้างอัลลอฮ์ซึ่งในโลกดุนยานี้นี่พระองค์ทรงเห็นทรงมองเห็นแล้วก็ ร, รับรู้สิ่งที่พวกตั้งภาคีเนี่ยเขากำลังทำกันอยู่อ้างอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ทรงรู้ว่าตอนนั้นนะนะพวกเราบรรดาเจวติต ทั้งหลายนี่นะไม่รู้เรื่องไม่รับรู้อะไรเลยที่พวกเจ้ากําลังสักการะพวกเราเอาเราเป็นทรงเป็นพยานระหว่างเรากับพวกท่านอยู่หนาต่อหน้าอัลลอฮ์นี่อยู่ต่อหน้าต่อหน้าอัลลอฮ์นี่เจวิดเนี่บอกว่าอัลลอฮ์ทรงเป็นพยานที่อยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์นี่ใครจะกล้ามฏิเสธล่ะอนวันเกียร์มาแล้วนะ น kind of ี่คือสารที fruit, ่แท้จริงสารจริงๆที bridge, fruit, ule, ่ที่เราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันประจักษ์ชัดแล้วอิงกุ้นนาวหนอยบาเดตติคุมโลฟฟิลินแน่นอนเราเนี่ยบรรดาภาคีบรรดาเจวิเนี่ยไม่รู้เลยไม่รู้เลยในการเคารพสักการะของพวกท่านต่อเราไม่รู้เลยพวกเราไม่รู้บรรดาภาคี ที่ดูเคารพสักการะอื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยม่อยู่สองประเภทประเภทที่ไม่รู้เลยและเป็นวัตถุเนี่เป็นสรพสิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยอัลลอฮ์จะให้มันมีชีวิตและสนทนาแบบนี้แต่พอสิ้นสุดการสนทนาแล้วเนี่ยได้ประจักษ์แล้วซึ่งหลักฐานว่าเขาอุปโลกจเจวิตนี้ขึ้นมาเนี่ยอัลลอฮ์จะให ผู้ที่เคารพสักการะอื่นจากอัลลอฮ์นี่ตั้งภารีกับอัลล์กับสิ่งที่ถูกสักการะนี่นะก็คือเจวนี้ให้เป็นฟิในโกอินนุมว่มาตอบูดูนมินดูนอัลลอฮิพัศบูเจฮันมอันทุมเลหาวารดูนเลว์คาฮะอุไลอัลฮะทัมาวารดูฮอันตุมพวกเจ้า ว่าไม่ถ้าบุญนั้นไ่ดูนิลลาละสิ่งที่พวกเจ้าสักการะอุจจักอัลลอฮ์ س ب ุจฮันน์เป็นฟีนของนรกเป็นเชื้อเพลงของนรกอันตุมและเฮวาที่พวกเจ้าทั้งสองเนี่ยก็จะเข้าไปอยู่นรกแล้วก็นะฮะอุไลอะไรถ้ามันเป็นพระเจ้าจริงนะมาวารุดูฮ์มันไม่เข้านรกหรอกเข้านรกได้ไงมาวารัดูฮ มันก็มียุคในะยุคนบีนบะีอนะไระไอ้พวกไอ้พวกที่ตั้งคากีนีนะ่ที่ชอบโต้แย้งกับกฏอ่านนะบอกว่าเอ้าเขานึกว่าเขานิดว่าสนธนากับนบีเนี่ ย, ยจะผิดนบีแบบนี้นะ่ยก็จะนับแต้มนับคะแนนไงอ่านี่นบีนบันบผิดละเขาบอกเอา้าแล้วก็พวกคริสตเนี่ยเขาก็บูชาพระเยซูใช่ไหมอะไรี้นั้นนะี่ย พวกคริสเนี่ยก็จะเข้านรกนบีอีสาก็เข้านรกด้วยดิพวกถูกสัการะอื่นจากอัลลอฮ์ไปด้วยนี่ตามอายะนี่นะอันตุมหัมาจากบุดูนมินดูนีลละพวกเจ้าแล้วก็สิ่งที่ถูกสัการะอื่นจากอัลลอฮ์นี่นะจะเป็นเชื้อเพลิงของนรกอ้ออิสาก็เป็นเชื้อเพลิงนรกด้วยสิเนี่ยกวัวเขาจับผิดอัลลอฮ์ก็เลยประทานอายะลงมาสวดอันนี้นะจะไปสวดรุขุรตะแต่ไม่ผิด إ ิัน الذين سبقت لهم من ا ل ح س ن ى أولئك عنها مبعدون بن دا ฟ و تير رضي التسلاء و خ า ن بن شو سوان حسنة سبق لهم من الحسنة خودا داي داي حسنة حسنة بره س و ن คุยกันแล้วนะว่าฉายาของสวรรค์นี่คือพุสนาพุชนานี่ไม่ใช่นางสาวนะไม่ใช่นางสาวพุสนาพุสนาในพุทธานี้ก็คือสวรรค์หรือความดี ในเหลานันสารวัรละหุมมีนัลพุสนะบันดาพูธีถูกตัดสินแล้วเนี่ยมาไหนตะไหนแล้วว่าเขาเนี่ยเป็นชาวสวรรค์เนี่ยอุนายการนามูบาเขาเนี่ยจะต้องห่างไกลจากนรกอย่างแน่นอนไอ้ที่องคนบีซาไม่เกี่ยวสิที่ถูกเขาถูกเคารพสักการะเนี่ยมีอยู่สองพระพิษพระเภทที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็เป็นวัตถุที่ไม่มีชีวิตนี่นอันนั้นนะเป็นเชื้อเพลิงและพวกที่รู้เรื่อง ว่เขาถูกเคารพสักการะอื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งไม่ยอมรับอย่างท่านนบีอิสาถูกเคารพสักการะท่านนบีอิสายอมรึยอมบ้าไม่ยอมอัลลอฮ์กัลลอฮนะครับในวันกี่เอมานี่ให้ท่านนบีอสานี่าบเองย่าไอบนมารีมุเอลมาอิดะจะไม่ผิด ยัยสซาบเนมารีมอัานับพูดเขาเสนอาวันคีมานีว่ที่นี่เนี่ย Allah ลาอุมันเหตุการณ์คืออันทีุ่ณเตลิ่นาสิทั่วหนีว่อุหมีอลนมินดนแหลเจ้าพูดจริงเปล่ากับพวกคริสเนี่ยว่าให้เอาฉันแลวก็มันดาของฉันเนี่ยเป็นพระเจ้าอลให้นมินดูนแหลอื่นจากอัลลอฮนมัสกรนี่อื่นจากอัลลอฮหมายถึงไม่ใช่อัลลอฮ์องเดียวนะต้องมีฉันกับมันดาของฉันด้วย ข้ารัศมีผ้านักมหาบริสุทธิ์แด่พระองค์ท่านเถิดไม่มีไม่เกิดขึ้นสุานมากกููนนลออัหาบริสุทธิ์แด่พระองค์ท่านข้าพเจ้าไม่สามารถพูดในสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิพูดสิทธิพูดไดงไงอุปโลกตัวเองว่าเป็นพระเจ้าอิงคุณตุคุลตุหุฟะกะดะลิมแต่ถ้าข้าพเจ้าพูดจริงนะพระองค์ก็คงรู้แล้ว อาเลมูมาฟีนัฟซีพระองค์รู้ในสิ่งที่อยู่ในใจของข้าพเจ้าว่าเลอาเลมูมาฟีนัฟซีส่วนข้าพเจ้าไม่รู้ในสิ่งที่พระองค์อยู่ในในใจพระองค์ท่านอันนี้ถูกเคารพสักการะและไม่ยอมรับอีกกลุ่มนึงถูกเคารพสักการะและก็ยอมรับให้ถูกเคารพสักการะ ทำสิ่งที่เป็นไอบาดาแล้วก็รู้ว่าเขากําลังไอบาดาอยู่นะรู้ว่าเขากําลังทำไอบาดาอยู่แล้วก็ยอมให้เขาทำไอบาดาอยู่ยอมให้เขาเนี่ยดําเนินการพิธีกรรมแห่งการสั ก, กระกับเขาเนี่อันนี้ก็จะอยู่กับผู้ที่ตั้งภารกิจเนี่ยไปอยู่ด้วยกันในโลกจงให้เห็นว่าการยอมรับในชิริกเนี่ย มันเป็นเงื่อนไขสําคัญที่จะทำให้คนที่ทําชิริกเนี่ยมีส่วนร่วมในบาปในความผิดที่เกิดขึ้นมีขนาดผู้ที่ถูกสักการะเนี่ยถูกสักการะเลยนะเขาไม่ยอมรับแค่ไม่ยอมรับนี่รอดละ่ะท่านนบีอีซาดูดิตอนเนี้ท่านอิซาเป็นยังไงท่านนบีอีซานี่ยไปดูทุกบทนี้่ฮอ แต่นบีซามมารีแล้วก็พระจิตพระจิตพระจิตก็คือดิบรีนารู้ข้อคดุสดิบรีนถูกสการะอุนจักรลทุกพื้นที่รู้เรื่องกันมาสามสามท่านไม่รู้เรื่องเลยไม่ยอมรับเลยไม่รู้เรื่องไม่ยอรู้รู้เนี่ยกำลังทําแบบเนี้แต่เขาไม่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นเขารอดละพ้นละ บทเรียนสำคัญสำหรับพี่น้องมุสลิมที่อยู่ในพื้นที่ที่มีชิริกชิริกชัดชัดนะชิริกชัด ช, ชัดนชิริกที่แบบว่าที่อาจจะคุมเครือหน่อยเนี่ยนี่ชิริกชัดชัดนี่ก็คือตั้งอะไรเป็นพระเจ้าอื่นจากกลอ้อเนี่ย บางทีเราจะต้องต้องทำอะไรด้วยหัวใจของเราเพื่อยืนยันว่าเราเราไม่เอาด้วยเราไม่เห็นด้วยชีวิตมันเต็มไปหมดเต็มไปหมดบาปเต็มไปหมดมันต้องมีปฏิกิริยาสักอย่างหนึ่งนะอย่างน้อยอย่างใดก็ดยหัวใจของเราเพราะ บางทีเกิดความพึงพอใจความภูมิใจความชื่นชอบแล้วมันจะเสี่ยงมินเมต่อต่อการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนยกตัวอย่างเอาตัวอย่างไกลๆหน่อยนะจล ด, ดีวิปเด็นอยู่ เขาพวิหารน่ะของใครของไทยหร่อของคขมนของใครไม่ใช่ของใครเลยของฮินดูไม่เกี่ยวเลยคามนก็มาจิกฮินดูไทยก็มาจิกฮินดูไม่ใช่ของใครเลยโอ้โหเขาพวิหารนี่มันสวยจังโอ้โหมันสวย ดูดีศิปะนะเป็นพันเป็นพันพั น, พนปีนะโอ้นดูนี่นีเขาพิธีเขาตรงนี้นะโอ้สวยจังเลยอันนี้เนี่ยมินเมสถานที่ใดๆพื้นที่ใดๆรูปแบบใดๆที่มีการตั้งพาคีถูกสักการะอื่นจากอัลลอฮ์ที่นั่นน่ะ น, นะเราจะต้องไม่แสดงความพึงพอใจหรือความปลื้มหรือความอะไรกับ คือสถานที่กําลังถูกท้าทายอัลลอฮ์นี่ว่าโอ้อัลลอฮ์นี่พระองค์ไม่ใช่พระเจ้าองค์เดียวนะเขากําลังยืนยันกับตัวเองกับโลกเนี่ยเราไม่ยอมรับว่ามีพระเจ้าองค์เดียวนะซึ่งมันจะสวนทางกับอคิเนที่เราเชื่ออยู่ถ้าเราปลื้มในในเรื่องสถานที่อะไรเงี้ยมีบางคนบอกว่าเนี่ยขอโทษดินะ ผมเช่าพระเป็นแสนเลยอ่ะบงับงบงแล้วบังบูชาอโอ้ผมไม่บูชาหรอกผมไม่บูชาหรอกแต่มันสวยไงยมันสว ย, ยแล้วก็เป็นหนทางในการหาเงินง่ายเออเช่ามาห้ามืนขายห้าแสนหนึ่ง ก็ก่อนนู้นจัตุคามนี่โอโ้โหเล่นกันซะจัตุขามจำได้ไหมจัตุคามศิลปะเนี่ยมินเมสิ่งที่ถูกสักการะอื่นจากอั ม, มอเนี่ยแล้วเรายังจะมีความภูมิใจในมิติหนึ่งในระดับนึงอ่ะนะมินเมเพราะเราต้อง ปลีกตัวออกจากทุกสิ่งอื่นที่ถูกสทกกระอื่นจะกอารมณต้องปฏิเสธไม่เอาฉันไม่เห็นด้วยไม่เอาด้วยไม่ยอมทําไมอย่าเราจะได้รอดหนูเกียร์ไม่จะได้รอดพอจําแนกแล้วอะนะอ้าวไอ้พวกที่ตั้งภาคีอยู่ตรงนี้ไอ้พวกพาคีตรงนี้ทำให้เราไม่ดีอยู่สงเราไม่ดีอยู่แต่ถ้าเรานี่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทั้งสองเนี่ยเออเหมือนมีคนบางคนบอกว่า เราเป็นสังคมพระวัติธรรมนี่ก็บางทีนี่แต่มีเทศากาลอะไรของเขาเนี่ยซื้อเทียนไปให้เขาหน่อยได้ไหมซื้อทูบไปช่วยเขาหน่อยได้ไหมไม่ไี้เข้านะแต่ก็ซื้อไปให้ช่วยซื้อทูบเรารู้นะว่าทูบเขาไปทําอะไรรู้ไหมเทียนเขาไปทํารู้ไหมรู้ได้ไหมสําหรับอิสลามนี่ไม่ได้สําหรับอิสลามมันไม่ได้สหลักการของศาสนาอิสลามนี่ไม่ได้ พิธีกรรมที่จะให้มีการสักการะอื่นจากพระเจ้านี่มุสลิมต้องมีความชัดเจนใครจะพอใจไม่พอใจใครจะอะไรเนี่ยนะอันนี้เราขอให้อัลลอ์สุบฮานะวะตาลาเป็นผู้พอใจเพียงผู้เดียวก็พอแล้วต้องต้องชัดเจนตรงนี้ตรงมีใจน่ถามผมบอก หานักท่องเที่ยวไปไปเที่ยววัดไปนู่นไปนี่ไหมไม่ได้ไม่ได้กับบางไม่ได้ไม่ได้เพราะอย่างน้อยเนี่ยเราเข้าไปเนี่ยเราก็เห็นเราก็เห็นสิ่งที่ถูกเคารพสักการะอื่นจากอัลล์นี่เราเห็นแล้วเราไม่ทำอะไร และนีภาษาอะไรกับคนที่บอกว่าคนทีคนดีเข้าไปแล้วก็บางทีเนี่ยก็ไปนั่งแล้วก็พนมฟังเขาสวดอ๋อเขาเขาไม่เ้าแค่แค่นั่งในพิธีเขาไม่ได้เชื่อเขาไม่ได้เชื่อตามหลักการศาสนานี่ความชัดเจนนะนะอัลละฮ์เรียกร้องถ้าจะชัดเจนนะนคือต้องแยกตัวออกอย่างเดียวเลยอัลกัดนัซซัลอาไลคุมฟิลกิตา และ إذا สมัยทีุกอพระบิดายุคฟารูบิฮะว่ยุตหตุแหบิฮะทุกประการนั้มาในคัมปีแล้วสําหรับพวกเจ้าถ้าพวกเจ้าได้เห็นได้ยินการปฏิเสธองค์การของอัลลอฮ์หรือการเยอะเยอะเยอะหยันองค์การอัลลอฮ์ฝ่าตาขอดูมาหุมหัดตาขอดูในข้อพระบิดาจงอย่านั่งอยู่ร่วมกับเขาในที่เดียวกันนะจนกว่าเขาจะต้องเลิกเลิกพูดการปฏิเสธศรัทธาหรือเยอะหยัน ในองค์การของล l l a h ต้องเลิกแต่ในเมื่อมาจิลิสนั้นยังมีชีริกยังมีกูฟรอยู่นี่นะเราอยู่ร่วมกับเขาไม่ได้รวมถึงบาปอื่นๆด้วยมาจิลิสนั้นมีบาปมาจิลิสนั้นนะ่ยดูดกัญชาเดิมเดิมน้ำท่อมสูบบุหรี่ทำบาปนินทาอะไรก็ตามนะครับถ้าเขาไม่เลิกกันนะเราก็ต้องใบ้ๆต้องหาที่อื่นุลิมตรงชเชจนีน ผู้ที่มีข้อผูกพันกับคำสั่งสอนของพระเจ้านี่ต้องชัดเจนบางที่หละแน่นอนมีเรื่องเกงใจในี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยเกงใจผู้หลักผู้ใหญ่บางทีก็เป็นผู้รู้ดีนี้มีวงดนตรีวงวงคอนเสิร์ตอะ ของมุสลิมวงดงตรีเต็มเต็มครบสูดด้วยแะแต่คนที่ขึ้นไปร้องไปเต้นเนี่ยคือคนที่คุมหิจากแล้วก็ใส่หมวกอันนี้มีมานาละเขาได้กวงนศิบอันนี้มีมานาละแต่ไอัยหมย่นยอัยหมย่เนี่ยคือนักวิชาการ ขึ้นไปชิ้นชมชิ้นชมนี่นะขอชิ้นชมเพราะในอิสลามนีมีดนตรีอยู่แล้วมีทํานองอยู่แล้วนะครปฏิเสธไม่ได้ดนตรีนี่มันอยู่ในอิสลามอยู่แล้วชื้นชมจนนึกว่าโอ้โหนี่ไอ้วงดนตรีนี่นะมันเหมือนเป็นขีบาร์ไปแล้ว啊 กี่บาร์เาจะมเหมือนคนสำคัญในสังคมมาวงนาเสพนี่เป็นคนสำคัญในสังคมพาอเขากำลังทำภารกิจภารกิจที่น่าชื่นชมกันี้อันนี้อนี้ใหม่อันนี้เรน่นี้ใหม่แลน่ากลัวไหนแต่ไหนแล้วเนี่ยในประชาอิสลามนี่มีวงดนตรีมีอะไรมีแต่เขานี่เขาจะรู้ตัวเลยว่าเขากำลังทำสิ่งฮาามอยู่ และพวกนี้ในเวลาเขาจะไหนแตไหนเลยทั่วโลกนะไม่ใชุ่สลมอย่างเดียวทั่วโลกพวกนี้เนี่ยเวลาทางานของมันเนี่ยช่วงไหนเคยไหมคอนเสิร์ตกลางวันเนี่ยเคยเห็นหมคอนเสิร์ตกลางวันอะอย่างเร็วที่สดเนี่ยก็คัม ค, ค, คํานะใช่คัมคัมายังสว่างนิดนึงแต่มีไหมคอนเสิร์ตตนดูรีอย่างเงี้ยช่วงดูฮาอย่างเงี้ย ไม่มีต้องมืดเลยทําไมอ่ะพอมือดนี่ก็คือเวลาทํางานของเชตตอนอุลเอาลูเบลบิลฟาลกขอความคุ้มครองจากความมืดมนของกลางคืนฟาลกะคือความมืดนี่ทุกสิ่งทุกอย่างนี่ที่มันร้ายแรงอันตรายนะมันจะทํางานกลางคืนแมลงแมงงูมืดทำงานตอนไหนอ่ะกลางคืนเชตตอนและยินเนี่ยมันจะเริ่มแร่ร่อนแล้วทํางานช่วไงไกลางคืน ละบันดาอบอยมุกทั้งหลายเนี่ยขายบริการกันช่วงไหนกลางคืนทั่วโลกนะวงดนตรีเนี่ยมีมุสลิมด้วยแต่ก่อนนั้นน่ยมีมีคนหนึ่งเขาเคยเรียนอาศสตร์เรียนอาศสตร์แล้วก็เหมือนเกิดอคติอะไรกับผู้รู้นี่ก็เขาเขาเรียนจนถูกเรียกว่าเชกแลยนะ ล้วเมียเขาก็เลยออกจากอาชีพในไม่เรียนแล้วก็ไปไปทํางานเป็นเป็นนักร้องเป็นนักดนตรีเขาก็ติดชื่อฉายาไปด้วยว่าเป็นช็กเป็นช็กแต่พวกนี้เนี่ยเขารู้ตัวไงว่าถึงกระ น, นั้นก็ตามเนี่ยเขากําลังทําบาปอยู่แถมแล้วเวลาเขาจะไปหากินที่ไหนเนี่ยอย่ประเทศอียิปต์นะเขาจะมีโซนของเขาอ่ะแล้วก็จะยันคืนอย่างเดียว ล้วเขารู้ละผรู้นี่ไม่คขรู้แหละผูรู้นี่ไ ม, นะม่ยุ่งไม่เกี่ยวถ้า แ, แบบสุดๆเนี่ยก็จะเป็นไม่ใช่ผู้รู้นะแต่คนที่แต่งชุดผู้รู้เนี่ยแต่เป็นพวกนักกรีแต่ก่อนนั้นนักกรีเนี่ยคนที่อ่านกุอศลละกูนะพวกนี้เนี่ยเขาจะเขาจะศึกษาเรื่องละกูเรื่องมะกอมเรื่องดนตรีแล้วพวกนี้เนี่ยก็จะชอบไปฟังไปฟังนักร้องเขาบอกว่าวได้ประสบการณ์เวลามาอ่านกุาน เราบอกนี้เนี่ยไปฟังนักร้องเนี่ยตอนใส่ชุดของอุลามาเลยนะแต่ไม่ได้เป็นอุลามาไม่ได้เป็นผู้รู้อันนั้นนี่คือสุดๆแต่ถ้าเป็นอุลามาเป็นผู้รู้เป็นผู้บุกเบิกสุนเนาะเป็นคนนี่เผยแพร่อิสลามศา ส, สนาเป็นสิบสิบปีอย่างเงี้ยแล้วก็บ้านปาชีวิตเนี่ยมาบอกว่าดนตรีนี่มันมีในอิสลามอันนี้นี่ยใหม่อันนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่น่ากลัว เรื่องทีน่ากลัวเราก็ต้องต้องตักเตือนเพราะบางทีในชาวบ้านนี่ไม่รู้อินูอินเน่น่ะเขาก็เห็นว่านี่คนนี้เป็นอาจารย์ เ, ยเห็นแม่นิ่งอาจารย์อาจารย์ก็ก็ฟังอยู่เนเอ็งจะเป็นใครออ็งจะมาหา้ามเรื่องดนตรีเป็นใครมาจากไหนเอาละ่ะใครจะทําอะไรก็ทําแต่ Allah กาลัง Allah กาลัง เล่าเรื่องที่จะเกิดขึ้นจริ ง, รงๆในวันเกียนมาซึ่งอันนี้จะเป็นช็อตสําคัญนะสำหรับพวกเราทุกคนและอันนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าเอ๊ะเราเกวียนอะไรเนี่ยเราก็ไม่ใช่เจเวิตแล้วเราก็ไม่ใช่ผู้ที่ตั้งภากีที่ที่บูชาจเจวิตเราไม่ได้อยู่ในนี้กลุ่มนี้เลยไม่ใช่อันนี้นี่คือแบบอย่างตัวอย่างของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับแต่ละชอ็อตแต่ละแต่ละกรณีที่ฝ่าฝืนหลักการศาสนา หก ا ตบ ت ب ก و كل نفس ما أسلفت ห نالك ขณะนั้น่ะขณะนั้นตอนที่อัลลอฮฺ سبحانه وتعالى ได้ตั้งศาลแล้วแล้วก็เอาทั้งสองฝ่ายนี่มาเผชิญหน้ากันแล้วก็มีคุยกันต่อหน้ากันเลยตกลงใครผิดใครถูกนี่เตวิดนี่พูดมาเองแล้วนะกูไม่รู้เรื่องวันเกี่ยวมะเช่นเดียวกันก็จะเกิดขึ้น กับคนที่ทำความผิดทำบาปแล้วก็แอบอ้างคนอื่นอันนี้องแล้วก็โดยพูดในคุตั้นเนแหละซูละคนที่ทำบาปนี้ก็จะอ้างคนโู้นคนนี้ฉันทำเพราะคนนี้บอกทำเพราะคนนี้เนี่ยหลอกฉันทำเพราะนี่อาจารย์คนนี้เป็นคนบอกทำเพราะนี้นี่พ่อแม่นี่สอนฉันแบบนี้ โอ้โหนี่วันเกียรมาเนี่ขายกันอย่างนี้เลยขายเลยนะขายถูกมากเลยนะพ่อแม่เนี่ยเขสอนอย่างดีอาจารย์เนี่ก็สอนอย่างดีแต่ไอทที่อ้างว่าสอนอย่างดีเนี่ยบอกว่ามันไม่ดีไงวันเกรมาเนี่มันจะประจักษ์ว่ามันไม่ดีนี่ที่สอนฉันนี่ที่สอนฉันนี่ก็คืออาจารย์ฉันนี่แหละโอ้มึงสอนอย่างดีเลยนะแล้วมาประจานฉันในวันเกียมาแบบนี้นะ มันเกี่ยมานี่นะนับสีนับสีตัวใครตัวมันทั้งหมดนี่จะได้พิสูจน์ได้ว่าฉันเนี่ยไม่ผิดในฉันนี่นะไม่ควรที่จะถูกลงโทษเพราะฉันถูกหลอกนี่พวกนี้หลอกฉันอันนั้นาบอกว่าหุนาลิกาในขณะ น, นั้นนะทุกชีวิต ต, ตลูกุณลูนลัฟซีมาอัสลฟัฟัดทุกชีวิตจะถูกสอบถึงสิ่งที่กระทํำไวาก้ก่อน W W แปลว่า ได้พิสูจน์ด้วยตัวเองว่าสิ่งที่ขนขวายไว้ที่ทำไว้นี่นะ่มันเป็นอะไรไอ้ที่ตอนลองตัวเองอยู่ในดุนยานี่เฮ้ยเองทำยังไงอ่ะอ๋อไม่เป็นไรมั้งไม่เป็นไรมั้งไอไอมังเนี่ยมันมันไม่ตัวไม่ตรวจสอบเนะีำยทําะอยากทำนะํำไงแต่ในวันเกมานี่ไม่ใช่แต่รู จะพิสูจนด้วยตัวเองนะว่าอทิีทีทำแล้วนะนะนะตอนนั้นนะนะมาอัลลอฮฺบัดที่เคยมาแล้วนี่นะไม่ใช่มันมันเป็นเรื่องผิดมันเป็นเรื่องที่ขัดกับหลักการศาสนาอย่างชัดเจนอันนี้คือรอยของฮัฟซานาซิมตับลูตับลูแปว่าตรวจสอบด้วยตัวเองพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าสิ่งที่เคยทํามานะนะมันเฮงสวยห้ามสาระกะริซาอีนี่เป็นกอรี ที่เขาอ่านสำนวนกุอานคล้ายเคืงกันในอยู่ในบรรดาเจ็กิรออะเจ็ดสำนวนที่นบีเคยอ่านอ่านว่าฮุนาลิกะตัดลูคุลูนัฟซิมะอัลเฟตตัดลูตัดลูนี่มีสองความหมายตัดลูแปลว่าอ่านขนาดนั้นในะทุกชีวิตนี้ก็จะอ่านเพราะอะไรเพราะมีสมุดบันทึก สมุดบันทึกการงานทั้งหมดนี่ก็จะอ่านอ่ออ่านนี่ทำมวล น, นั่นวั น, นี้ทำ น, นั้นแต่ก่อนนู้นอ่ะแต่ก่อนสมายตั้งแต่ยบสาสิปีนนนปออเนี่ยมันนึกภาพไม่ออกเลยโอ้โหทุกช็อตเนี่ยมันจะถูกบันทึกการรึกอย่างชัดเจนเนี่ยเคยทําอะไรที่ไหนกี่โมงวันไหนกี่วินาทีวันเนี่ยเดี๋ยวนี้ดูมือถือถ่ายรูปที่ไหนนี่บอก ใช้กล้องอะไรถ่ายไงกี่โมงกี่วินาทีอะไรเระบุหมดเลยข้อมูลละเอียดหมดเลยมากกว่านั้นนะไอ้ไอ้ไอ้ไอ้กัเกิลเนี่ยมันจะส่งมันจะส่งอีเมลทุกทุกทุกเดือนสองเดือนเนี่ยสิ้นทางสัญจรของท่านตลอดสองเดือนที่ท่านไปไหนมาไหนเนี่ย มีรายงานรีพอร์ตให้หมดเลยไปไหนมาไปอยู่ที่ไหนมากี่นาทีกี่ตำแหน่งของมันพิกัดของมันมีหมดเลยอีแต่แบบนี้เนี่ยมนุษย์มนุษย์เองยังยังทาได้เลยฉะนว่าวันเกียร์ม่านี่ก็ไม่ตรงแปลกใจะอะไรมากกว่าถ้าวันเกียร์ม่านี่การพิสูจน์การงานของเราเนี่มันจะละเอียดยิบกว่าเนี้มันก็อาจจะไม่ไม่แปลกมากหรอกตอนนี้เนี่ยมนุษย์นี่อาจจะอาจจะ เชื่อมากขึ้นว่าเรื่องแบบนี้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นแต่สมัยโน้นนะสมัยทีโ่โหมันจะเป็นยังไงอะศรัทธาอย่างเดียวพร ล, ลองค์ทรงเดชะนุภาพศรัทธาอย่างเดียวแต่ในยุคนี้นะเราบอกว่าโอเ้เป็นไปได้เป็นไปได้มากเลยไม่ใช่เรื่องแปกมากหรอกตัดรูคุณลุนะเสร็ตัดลูตัดรไปว่าอ่านนะไอ้งาอ่านรีพอร์ต ที่ตัวเองได้ทําไว้ตัดลูอีกความหมายหนึ่งตัดลูมาจากตะลาตะลาไปว่าตามติดตามในขณะนั้นนะทุกชีวิตเนี่ยก็จะติดตามสิ่งที่ตัวเองได้ทําทําไมอ่ะเพราะติดตามนี่เพราะอะไรเพราะเราตอนที่เราได้อ่านได้ดูรีพอร์ตการงานของเราเนี่ยมันจะมีบางเรื่องที่มันมเรียกได้เลย ตกลำดับอ่ะหอตอนที่อยู่ในลุญญานี่นะไอ้เองไ่มันยังไงอย่าไม่มีใครรู้เลยไปถามคนนู้นเอาไม่รู้เป็นอะไรเกิดขึ้นตอนนั้นไม่รู้อย่างเหมือนคดีต่างๆนะเกิดขึ้นไอ้ช่องช่วงที่มันที่มันลึกลับเนี่ยนักสืบเนี่ยก็หาอะไรไม่ได้ไปหากล้องวงจรปิดเนี่ยไม่เจอแต่พอวันเกียร์มานี่ยไอทีมันหายไปอย่างนะ้เจอหมดแล้วก็นั่งทิ้ง โอ้โหมันอย่างนี้อ๋อมันเป็นแบบนี้บางทีเราก็งงนะทำบาปทำความผิดเนี่ยไม่รู้ทำเพราะอะไรงงอยู่ดีก็ทำเอ้ยฉันหลงฉันงูไปได้ไงอะวันเกี่์มานี่เดี๋ยวรู้เราจะติดตามแล้วก็รู้ทำลายเป็นยังไงรู้ตะลูกุลูนับซิแม้อสลับ อัลลอฮฟต์บวทีทำเปล้าในพาสในอดีตเนี่ยจะรู้มั้รดูอิลลัลลอฮฺมูลาหฺมุลฮักต์วัดละอันห์มมาคานูยัฟต์รุนลับวะข้าวติดกนัมกลับไปยังอัลลอฮฺวรดูอิลลลลฮฺมูลาหฺมุลฮักต์พวกเราทุกคนนี่ก็ต้องกลับไปยัง เขาบอกว่าสังคมสังคมที่เขากลัวอัลลอฮ์กันนะสังคมที่มีความเยียมเกรงเขาจะใช้คํานี้บ่อยเฮ้ยเดี๋เราก็ต้องกลับไปหาอัลลอฮ์นะมักจะได้ยินคํานี้กับคนที่เขามี إ ي م านเฮ้ยเดี๋เราต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ไม่มีหรอกไอ้คนที่ดื้อดึงไอ้คนที่ชอบท้าทายทําทความชั่วและไม่สนใจใครอ่ะนะคํานี้เนี่ย เขาไม่ชอบพูดและไม่ชอบได้ยินใครพูดเดี๋ยวเราก็ต้องกลับไปหาอัลลอห์ยิ่งบางคนเนี่ยพูดคำนี้นี่นะอาการออกแล้วแล้วทำไมกลับไปหาแล้วทำไมแล้วยังไงไอคนที่รู้จริงเนี่ยไม่ถามหรอกแล้วทำไมแล้วยังไงเนีย่ยไม่รู้ไม่ไม่ถามแบบนี้ถามงงๆกลับไปห า, AH, าอัลลอฮ์นี่ก็ซวยไงมึงก็ซวยแล้วยังไงนี่ซวยไง ไอคนที่มีสตินี่ก็ไม่ถามหรอกแล้วทําไมแต่มีคนที่หัวใจนี่กระด้างแล้วมืดแล้วกลับไปหาอัลลอฮ์เล่นไงไม่กลัวม AH ้าแล้วเดีวคนนี่กลัวม้านี่ทําบาปแล้วเนี่ยเอาคํานี้เนี่ยมาเตือนเขานี่นะกลับไปหาอัลลอฮ์นี่มันเพียงพอที่ทําให้เขาสยบทําให้เขานิ่งนิ่งกันทีเราต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ยังไงก็ต้องกลับไปหาอัลลอฮ์นะ ว่ ا ด ل อีลลอฮ و มเมาแลหุมอัลฮักต์ับเปหาอระอ์พระเจา้าที่แท้จริงของพวกเขาเพราะอะไรเพราะที่เขากำลังสนทานาตะกี้นี่นะล้วนเป็นพาคีเป็นเจวิตที่เขาเคยอุปลโลกแลวนึกว่าเป็นพระเจา้าสุดท้าเนี่ยก็ต้องกลับไปหาพระเจ้าที่แท้จริงเมาแลหุ อดลลัคนุมะกาลูเยฟต์รูนและสิ่งที่พวกเขาอุปโลกขึ้นมาจะหนีไปจากพวกเขาหนีไปหมดหนีไปหมดแต่ล l l a ก็บอกว่าวันแคเมรันนี่ไม่พ้นหรอกครับกันละละวาซรอีลารับบิกายุมาอีดินิลมุสต์กัรไม่มีปัมไม่มีที่หนีใดๆจาก a l ล a h หนีจากอ l ล a h นี่หนีไม่ได้หรอกอลารบบิกะ อย่าง Allah เท al ่านั้นยังพระผู้อับดบาลเท่านั้นจุดจบของเราอัลมุสตะคารต้องกลับไปหา Allah จุดจบอยู่ที่นั่นนี่ถ้าเราได้บรรจุให้มันเป็นอุดมการณ์ในชีวิตยังไงก็ต้องกลับไปหา Allah แล้วคนไม่มีความเชื่อมีอุดมการณ์แบบนี้เนี่ยก็ต้องก็ต้องเตรียมคําตอบตาบาตทำความชื่วและเมื่อสิทธิคนอื่นเนี่ยก็ต้องมีคําตอบกับตัวเอง กลับไปหา Allah และจะเตรียมคําตอบตอบกับ Allah Subhanahu Wa t a a l อย่างไรอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะทุกขั้นตอนของวันเกียมาวันเกียมาเนี่ยเริ่มเมื่อไรวันเกียมาเริ่มเมื่อไรจำได้ไหมวันเกียมาเริ่มไม่ดีเสียงดังนิดหนึ่งไม่ วันเกี่ยมันเริ่มวันตายในคุโบวันตายนี่หละอุสมาเนี่ยบอกว่าอัลกุสมาน้าวนมันน่าตะกำหนดกิยามันตัวสำหรับคนที่อ่านในวันเกี่ยมันเริ่มละสําหรับเขาโดยเหตุผลสองประการประการแรกเพราะความตายเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการสอบสวน แล้ววันเกียรมากก็คือวันแห่งการสอบสวนเราตายแล้วในเรื่องมีอะไรมีการสอบสวนในครูบโบนี่เริ่มล้มีมาเลาย์กามาถามนีม่การสอบสวนเรียกว่า อ, อะไรอ่ะข้อสอบข้อสอบข้อสอบเล็กข้อสอบเล็กเลกมาระ บ, บุการมาดีนุกันในการคำถามสืบดูดูมามาไม้ไหนเนีคนนี้แบบไหนสอบเล็กข้อสอบเล็กเลก เหตุผลที่สองนี่คือระหว่างตายแล้วเนี่ยจนจะฟื้นคืนชีพะนะจนจะฟื้นคืนชีพะนะนบีเคยบอกว่าสำหรับคนดีเนี่ยคนซนและคนดีนะนะระหว่างตายถึงวันฟื้นคืนชีพเนี่ยเหมือนระหว่างเวลาอัสรีกับมกริบนี่สำหรับคนดีนะสำหรับคนดีเนี่ยพอนอนในกูโบโลแล้วเนี่ยมาลายกาเนี่ยเขาจะเปิดมิด ขงกูบโนบนกูโบนี่เมตรต่อเมตรหนึ่งเมร็รแคบเหลือเนะกินนะไม่มาเลยก็นี่จะเปิดมิติแห่งมิสัยให้มองเห็นตําแหน่งของเข้าในสวนสวรรค์เห็นไหมบ้านตายนี่จะไปอยู่สวรรค์ตรงไหนเขาจะพูดเ่ยเยารบิอักิมิเซห์ให้เกียรมาเกิดขึ้นตอนนี้เลยตอนนี้ไม่ไหวนะถึงถึงจะอัศรีดนะั่งดดมกริบบะนะ้ะ ตอนนี้เลยอัคมิสซาตอนนี้หละอย่กลียมาได้เกิดขึ้นฉันจะได้ไปสวรรค์พอรู้แล้วนะว่าเขาจะเข้าสู่สวรรค์เราคนเลวอะนะอ่าเปิดอุ้ยใส่ยให้เห็นนรกเราก็จะอย่ารับเบล่าตุกิมิสซาอย่าให้เกียดมาได้เกิดขึ้นถึงแม้ว่าอยู่ในกุบองในที่แคบๆนี่มีงูเห่ามีอะไรนี่นะเออแต่ดีกว่าไปนรกไงอยู่อย่างนี้ดีกว่า ตายแล้วนี่อวนเกียรมากเกิดขึ้นแล้วมันมาตะควมตนเกียมากตัที่สหายได้บอกคนที่ตายแล้วนะเกียรมากนี่เกิดขึ้นแล้วถ้าเกียร์มากเกิดขึ้นแล้วเนี่ยววนเกียมากในเริ่มต้นจะดความตายเราได้มาถึงตัวนี้ยังไงถ้าก่อนนึ่งก็เเ็นแบบนี้นะ แต่ก่อนั้นตอนสอนตักเสียนี่สองชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ น, นี่นะ่ะคือพาไปนู้นพาไปก็ไม่รู้มายัางไงเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นบ่อยเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าแก่นะเป็นบ่อยเพราะมันเรื่องมันเยอะไงอันนี้พรออันนี้จะเป็นท่อนสุดท้ายแล้วนะครับอายะที่สามสิบของท่อนนี้นี่สิบห้าถึงสามสิบหมดไปแล้วท่อนนี้เนี่ย ก็จะเริ่มทานใหม่หลังเดอรโมดันนะครับทุเหอแลวสิ่งที่พวกเขาอุปโลกขึ้นมาจะหนีจากพวกเขาหนีแต่ละวาระไร่ไม่มีที่หนีนะนะอัลลอฮ์เนี่ยหนีไม่พ้นนะละวาระอีลอร็บรับก็ยามาดมุสตก์อัเนี่ยคุณก็ยำนึกว่าเรื่องความตายเรื่องเรื่องเกียรมาเนี่ยมันมาอย่างไง มันมีเรื่องผมอยากจะพูดแล้วมันลืมไปเดือนรอมฎอนใก่นั้นนะครับพี่น้องเราก็เดือนรอมฎอนก็อาจจะไม่ค่อยเจอกันมากนัก mm hmm. ก็ฝากไว้สําหรับพวกเราทุกคนผมมีหลายเรื่องนะครับที่ฝากไว้ในรายการต่างๆแต่พี่น้องสามารถไปดูย้อนหลังก็ได้นะครับ mm hmm. แต่วันนี้ก็จะฝากเรื่อง สาวเราคนที ies, ah, ่มาเรียนแต่ซีเรียงเดียวที่ยังไม่ได้พูดที่อื่นคือพวกเราต้องต้องเชื่อนะเชื่อในเรื่องหนึ่งที่อัลลอ์พูดด้วยในคุรานในหลายสุร่ายหลายอายาอินัลลอฮ์มะลัลลิณัตตะควะแลลลิณัฮุมอุฮซินุนมาอยู่กับบรรดาผู้ที่มีมีตะควาและผู้ที่ทาความดี إن الله مع الصابرين الله يקבنا و د ي ت ن إن الله معنا نبي باكر الله يكبره معية الله كان د الله يو روم ي و كبراه ن ي ن ن ا ن ميني 2ความหมาย ความหมายหนึ่งต้องถูกปฏิเสธเด่นชัดเจนอัลลอฮ์อยู่อยู่กับเราเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าอัลละฮ์ตัวอัลลอฮ์นี่อยู่กับเราเหมือนความเชื่อที่คนเขาบอกว่าอัลลอฮ์อยู่ทุกที่เนี่ยไม่ใช่อันนี้ความเชื่อเลอะเทอะอันนี้ต้องถูกปฏิเสธไปตัวอัลลอฮ์นี่ไม่ได้อยู่กับเราแต่ความหมายหนึ่งอินนัลลอฮามะอานะอัลลอฮ์อยู่กับเราเนี่ยก็หมายถึงว่าอัลลอฮ์ทรงรู้ทรงรับรู้ ทรงเห็นทรงได้ยินสเสมือนอยู่กับเราสเสมือนอยู่กับเราซึ่งเรื่องนี้เราสามารถปรับความเข้าใจได้ในเรื่องนี้ยิ่งตอนนี้ยุคเทคโนโลยี <c oughs> ที่พวกเจ้าของอุปกรณ์สื่อสารและแอปพลิเคชันต่างๆที่มันสามารถดักฟังและถ่ายรูป โดยที่เราไม่ยินยอมหรือเราอาจจะยินยอมโดยโดยไม่ตั้งใจมันรู้หมดเลยรู้หมดเลยคุยอะไรกับเพื่อนนี่นะพอเปิดแล้วนี่โฆษณามันขึ้นเลยสิ่งที่เราได้พูดพอที่จะนึกภาพ น, นี้ขนาดมนุษย์ด้วยกันมันมันอยู่กับเราขนาดเนี้ยพระเจ้ า, าของเราล่ะฉะนั้นการที่ Allah อยู่กับเราเนี่ย มันเป็นสิ่งที่มันเป็นเครื่องหมายที่จะบ่งถึงความลึกซึ้งที่เรามีในความสัมพันธ์กับพระเจ้าการที่เรารู้สึกจริงนะว่า Allah อยู่กับเราเดาือนอมรดอนเป็นเดือนที่เราจะอยู่ใกล้ชิดกับ Allah سبحانه ละก็อัลลอมากที่สุด เพราะเดือนรอมฎอนเป็นเดือนของอัลกุรอานและกุรอานเนี่ยเป็นกะลามุลลอฮ์ส่วนหนึ่งส่วนเดียวของอัลลอฮ์นี่ที่อยู่กับเราในโลกนี้เนี่ยก็คืออัลกุรอานทําไมอักุรอานอกะละมุลลอเป็นส่วนหนึ่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้มาอยู่กับเราในโลกเนี้ฉะนั้นใครที่จะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากที่สุดคนที่อยู่กับกุรอานอ่านกุรอานฟังกุรอานต้องจํากุรอานต้องทวนกุรอาน แต่ผไม่จะไม่พูดบอกว่าอ๋อเรืองรำมฎอนอย่านะอย่าทิ้งกุตอ้นนะอ่านกุตัานไม่พอพวกเราต้องใกล้ชิดกับอันกุตัานจนกระทั่งเรื่องรำมฎอนนี้พวกเราต้องทําให้ได้รู้สึกเครื่องม้ายะม้ายะตุลลอฮ์รู้สึกว่าอัลลอฮ์ยู่ใกล้ชิดกับเราจริงจริงจะทํำยังไงอันนี้ไม่รู้อันนี้พวกเราต้องไปหาโจทย์กันเอง แต่เส้นทางนี่มันชัดสําหรับทุกคนที่อยากจะบรรลุเป้าหมายนี้อยากจะได้อยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เรารู้สึกอัมวะรู้สึกใกล้ชิดกับอัลลอฮ์นี่นะหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่อัลลอฮ์ سبحانه และก็ช่วยเาอยู่ใกล้ชิดกับเราอัลลอฮ์จะจัดการได้หมดเลาจะเคลียให้หมด เมื่อเราได้รู้สึกว่าเราอยู่ใกล้ชิดกับ a า l a h มากขึ้นนี่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราที่มันเป็นข้อสงสัยเป็นข้อแข็งใจเป็นเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันมั น, ม น, มนไ ม, ไม่ไม่สบายใจอ่ะนะเราจะเคลียร์หมดจะเคลียร์หมดการอยู่ใกล้ชิดกับ a l ะ a h รู้สึกว่ามันอยู่กับเรานี่นะท่านนาบีบอกเอาอินนัลลอฮ์มานะหมดเล ย, เยที่นบีอิน นบีหลบซ่อนตัวเองดูดสภาพนะ้องท่านนาบีนี่ก็ต้องหลบซ่อนกับอูบักรอยู่ในถ้ําอยู่ข้างล่างถ้าเลยนะต้องแอบซ่อนตัวเองมีอยู่ข้างล่างอ่ะพอถ้าเนี่ยถ้ำซาอุนี่มันอยู่ด้านล่างแล้วเขาายืนข้างบนเนี่ยก็ต้องซ่อนตัวเองอยู่ข้างล่างและอูบักราบอกกับท่านนบีนีแค่มองไปเท้านี่เขาก็เห็นลแล้วละความที่กัวงวลอยู่เนี่ยตอนนั้นคนะวามร้อนที่นู่นร้อนนะ ก, ก้านี่ร้อนแล้วก็หินก็ร้อนในถ้าอีกแล้ว ม, มันจะร้อนขนาดไหนอ่ะแมลงแมงอะไรที่มันอยู่ข้างในความมืดทั้งหมดเนี่ยอินนัลลอฮ์มาะนาทุกอย่างนี่มันทุกอย่างนี่มันสลายไปหมดมันหายไปหมดจึงสมควรที่จะถูกเอ่ยาว่ะมันเป็นจุดสำคัญที่สุด ในเหตุการณ์ฮิจร้อนเรื่องราของฮิจร้อนนี่มีเยะนะแต่อันนี้เนี่ยถูกเอ่ยอันเดียวฮิจร้อนอันนี้ยวไมเด่นที่สุดของมายะตุลลอหของการที่อัลลอฮ์อยู่ร่วมกับท่านนบีละอบักรสนับสนุนอันนี้ที่ถูกระบุและถูกระบุ เพราะมันเป็นจุดเด่นที่สุดในการเสียสละของท่านนบีและอุบักหรือว่าองค์เสียงกันขนาดนี้เสียสละเพื่ออิสลามขนาดนี้ในฮุโร้เนนี่อัลลอฮ์จึงช่วยเหลือเขาแต่ต้องรู้นะครับบัวอัลลอฮ์จะอัลลอฮ์จะส่งสัญญาณส่งเครื่องหมายว่าอยู่กับเราเนี่ยเราไม่ว่าอยู่เราแน่นอนเราไม่ได้เป็นนบี เราจะส่งสัญญาณได้ส่งเครื่องหมายได้ว่าฉันอยู่ฉันอยู่กับแกนะฉันฉันอยู่ตรงนี้เองนะเราทำได้กว่าจะถึงจุดนั้นน่ะดูซิว่าเราต้องทำอะไรบ้างจะได้พิสูจน์ว่าเราอยากจะอยู่กับเราเราอยากจะอยู่กับเราเราไม่อยากจะอยู่กับใครเราจะไม่มีความสุขในการที่อยู่กับใครนอกจากาจะอยู่กับเรา ดีที่สุดแล้วสำหรับเราอันนี้ฝากไว้ให้เป็นการบ้านที่เราทากันในเดือนนะครับอซลลอฮบแะบี u h a m m a วะลัอฮวซัลลัมเจอกันอินชาอัลลหลังเดือน ر م หลังบทหกเลยนะครับนชอมีคาถามไหมครับจะทายังไงให้เรารักษาวความความหยาดหรือว่าความหอมหวานในการทำอิบาฮิได้ไปในในหนาที่สุด อย่างเช่นในเรื่องเวลาเขาเดินเขมานอนใหม่เนี่ยเราก็จะมีความกิน ม, มีความกระดึนรุนรุนแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยเราจะรักษาสภาพตรงเนี้ไว้ให้นานที่สุดได้คือถ้าว่าไอบาา้บอด้ทุกขั้นตอนเนี่ยเรารักษาให้ความสุขเนี่ยมันมีอยู่ในทุกขั้นตอนเนี่ยมันก็จะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่ ดึงซึ่งกันและกันตลอดแต่ปัญหาสว่วนมากมันจะเกิดขึ้นกับเราไม่สามารถที่จะรักษาอัตราความสุขให้อยู่ในอัตราเดียวทุกขั้นตอนถูกไห้าวัตูนี่ละมหมาดถ้าวัควัตูนี่ ร, รักษาอัตราความสุขนี้นะเราจะมีความสุขทุกเวลาเลยแต่ปัญหาว่า มันมีปัจจัยอะไร อ, ไร อ, ไรอื่นที่มาทําลายไงเรามีความสุขตอนละหมาดโซบีแต่ตอนดูรีเนี่ยทะเลาะ ก, กับเจ้านายทะเลาะ ก, กับเพื่อนเวลาประว่าละหมาดนี่ความสุขมันจะเหมือนงูกิีบนะใช่ไหมความสุขมันก็จะลดจากแปดสิบมันกลายเป็นยี่สิบไอเนี่ยเป็นปัญหาทําให้อัศรีนนี่นะมันไม่ต่อเนื่องละมันไม่สามารถดึงดึงสภาพไปถึงอีกขั้นตอนหนึ่งละ พอเราขยันกันอ่ะเราขยันอัศรีเนี่ยขยันมากขึ้นอ่ะได้ได้เจ็ดสิบห้าสิบเปเซ็ละอ่ะมกริบก็จะดีขึ้นอิจาก็จะดีขึ้นอ่ะพอมาถึงสุพีเนี่ยอาซูเนอนอนเพียไปหน่อยนี่เล่นเกมเยอะไปหน่อยเนี่ยสุพีเนี่ยไม่ตื่นอ่ะกันละงุดงิดละเนี่ยเป็นแบบเนี้ยนะีจึงบอกกับขันโสรบอกว่าเราเดวอมตุมาเลมาอันตุมาเลหอินดี แต่พวกเจ้านี่ได้ดำรงไว้สิ่งที่พวกเจ้านี่มีมีอยู่ตอนอยู่กับอยู่กับฉันเนี่ยอะไรที่มีอยู่เนี่ยทางซโลบอกกับท่านนบีเราฟังนาดีพูดถึงสวรรค์ น, นรกเสมือนเราได้เห็นนรกและสวรรค์จะจะนาดีก็ับท่าดำรงแบบเนี้นะพวกเจ้านี่ก็จะสลามกับมาเลาย์กาเนี่ยหมายในพวกเจ้านี่จะไม่มีสรีระที่เป็นวัตถุของมนุษย์แล้ววัตถุของของเรานี่มันจะสว่างสวยัยมาเลาย์กาก็จะนึกว่าเราเนี่ย มาเพีเดียวกันเพราะมาเลกาเนี่เป็นมนุษย์ไงมาเลกาก็จะมาขอสลามถ้าดำรงได้แต่นบีบอกว่ามันไม่ได้สร้างาสรา ห, าาหาารับมนุษย์นี่นะช่วงหนึ่งก็ขยันอีกช่วงหนึ่งก็พักผ่อนก็เป็นแบบนี้แหละความสุขของไอบาดาเนี่ยถ้าเราได้ไอบาดาทุกครั้งนี่ได้สัก 20% อร์มีความสุขนี่อันนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะถือว่าเก่งนะเพราะบางคนเนี่ยอิบาดะอาสมุนโลละหมัดดูฮรีละหมัดอิชาทั้งสีรกาดนี่ไม่ได้อะไรเลยก็มีไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมเราพยายามรักษาเราพยายามตั้งเป้าหมายร้อยเปอร์ซนตให้ได้ นะครับแต่ถ้าได้สักยี่สิบเปอร์เซ็นต์ในความสุขเนะี่ยหมายถึงว่าหนึ่งระกาศเนี่ยในสี่ระกาศเนี่ยเราได้รู้สึกปื้มมากความมีความสุขมากโอ้โหนว่าทำดีแล้วนะแล้วขอเ้ิ่มพุ่มเพิ่มพูนให้มันมากกว่านี้แในในเรื่องของการขอดัาครับบางครั้งเราขอดวัวด้วยด้วยด้วยกับหวใาจาด้วยกับปากแต่ว่าโดยหัวใจของเราแล้วเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกมันขนาดนั้นการที่จะทําให้หัวใจรู้สึกถึงการสิ่งเดียวสิ่งที่จะขอดัาครับ อยากจะรู้สึกว่าดูอาของเราเนี่ยมันมันมีอรรถเนี่ยดูอามันก็ต้องออกจากหัวใจเราต้องทราบซึ้งในสิ่งที่เราขออยู่ราจะเกิดขึ้นจุดที่เราต้องการน่ะจะไกลบาดะได้ใจนะถ้ามันมาจากหัวใจตรงตรงเนี่ยเราก็จะเราก็จะได้จุดที่เราต้องการแน่นอนส่วนมากที่อีบาดะนี่มันเพี้ยนออกไปแล้วก็ไม่ได้อัรรถไม่รู้สึกถึงมันนะ เพราะมันไม่ได้ออกจากหัวใจมันมีผิดเพี้ยนมีเลี้ยวไปเลี้ยวมาก็ต้องก็ต้องดูก็อย่างที่บอกกันนะว่าเราตั้งเป้าหมายว่าพยายามเฝ้าเฝ้าหัวใจให้ดีตั้งแต่เริ่มต้นอย่างละมาดในเริ่มต้นลาอูอบบรุนอัสสลามุอะลัยคุมี่เฝ้าหัวใจให้ให้ดีที่สุดเนี่ย แต่ถ้ามันเขวไปเขวมานี่ธรรมดาเพราะน บ, บีบอกว่าเราเนี่เสมือนในนะ้นมาเนี่เสมือนเป็นคนเดินทางแล้วก็มีทรัพย์สมบัติอะไรเยอะแยะมากมายและเชตตอนนี่เป็นโจรปล้นพยายามที่จะขโมยทรัพย์สมบัติของเราให้มองโน่นให้มอง น, น, องนี่ให้คิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ให้ให้วะเรื่องโน้นวะเรื่องนี้นี่แหละ แล้วันรู้นะไอเรื่องนี้เาเราไม่เอาเราไม่เอาเอาเรื่องนี้เนี่ยมันก็ไปดูลิสต์นะไอหมอนี่มันสนใจเรื่องอะไรมันมีลิสต์นะเอาเรื่องนี้เอาลองเรื่องนี้ไม่ได้ก็ไปปรึกษาไอเชตตอนอีกตัวหนึ่งไอหมอนี่มันยังไงเอายังไงดีก็มีวิธีของมันนะมันต้องพยายามอย่าลืมนะครับว่าเรายิ่งเรายิ่งขยันมีสมาธิในไอบาดาเนี่ยมันก็ยิ่งขยัน เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่แปลกสําหรับคนที่ขยันมีสมาธิในบาดาว่าจะมีเชตตอนมากอ่อกวนเยอะการที่มีเชตตอนมากอ่อกวนนี่ไม่ได้หมายถึงว่าเราเป็นคนเลวนะไม่ใช่นะเพราะเชตตอนนี่เชตตอนนี่คงคงจะไม่มากอ่อกวนไม่มากอ่อกว น, ค น, นาาคนที่ไม่สนใจอบาดาคนที่ไม่สนใจอีบัตานี่ย เชตตอนรู้เลว่าไ อ, ไอ้นี่มันไอบาดาเนี่มันไม่อยากทําอยู่แล้วไม่เสียเวลากับพวกนี้แต่มาเสียเวลากับเขารู้ว่าเนี่ยไอหมอนี่มันตั้งใจละหมาดไอหมอนี่เนี่ยมันอยากได้ประโยชน์จากละหมาดจริงๆกูจะไม่ปล่อยให้มันบรรลุเป้าหมายต้องเล่นงานคนนี้เนี่ยให้ได้สำหรับคนอื่นแน่ๆคนอื่นเนี่ยละหมาดโอด้อวดรู้ตั้งแต่แรตอนละหมาดโอด้อวดห้มดีต่อมาลูก งานโมฆาอยู่แล้วใช่ป่ะแล้วกูจะไปเสียเวลาทําไมงานโมฆาอยู่แล้วอ่ะงานมันไม่ไม่ไม่มีความหมายแล้วกูจะไปเสียเวลาทําไมเองก็อวดไปอวดต่อไปแต่อันนี้อันนี้สาระอันนี้มีสาระคนนี้มีสาระอันนี้มันมีคลาสนี่ว่ะอันนี้มันมีความย่ำเกรนนี่วะอเนนี้อันนี้ต้องเล่นงานแั้นไม่ต้องกังวลนะแต่เช้าตอนนี้มากลกวเนี่ยนี่ไม่ไม่ใช่เป็นเครื่องหมายที่ไม่ดีนะ เปล่าเลยนะและการต่อสู้นี่เป็นภารกิจการต่อสู้กับมันในไอบาดาเนี่เป็นภารกิจและได้บุญไม่ใชไม่ใช่ไม่ได้เสียเปล่าการต่อสู้กับเชอร์ตันในการทำไอบาดาให้มันดีที่สุดเท่าที่ทําได้นะถือว่าได้ผลบุญนะไม่ได้เสียหายไม่ได้เป็นเครื่องหมายว่าเราโอ้โหเราแย่มากไอเชอร์ตันมาเล่นงานเรานี่สแสดงว่าเราอัลลอฮ์ไม่ช่วยเราอัลลอฮ์อ ล, ลเห็นว่าเราใช่ไม่ใช่เลยคือเราควรบริจาคอากาศให้คนไปตั้งตัว ในในใได้ทั้งสองดูความเหมาะสม<น>ผู้บริจาคเนี่ยให้พิจารณาไปดูเองดูความเหมาะสมแวกไหให้้กลุ่มไหนทีมันดีดดดใกล้ตัวที่สุดใกล้ตัวที่สุ ด, สดและเกิดประโยชน์ที่สุดสําหรับเขาและสําหรับสังคมอยู่ที่ดุมพินิจของเราอล่ะ ในต้องเข้าใจว่าในเมื่อสกัดนี่ไม่ได้มีใบตุลมา่ไม่ได้มีองค์กรของรัฐที่ดูแลอยู่เนี่ยทุกคนก็ต้องดูแลสกาดของตัวเองทุกคนก็ต้องพิจารณาเพราะต้องรับผิดชอบเองไม่มีใครสามารถชี้นําหรือบังคับเราได้เราก็ต้องศึกษาดูว่าใครที่เหมาะที่สุดอะไรที่เหมาะที่สุดใช่ดิเหมาะสิวะ เอาท่านเหมาะที่จะรับส ก, กัดไม่เหมาะสิว่าไม่มีใครจะบอกว่าไม่เหมาะหรอกอย่ามาให้หผมเลยไม่ต้องมาไม่เคยมีหรอกแบบเ น, นี้ศึกษาหาข้อมูลรเรามีเงื่อนไขเนะี่ยเรามีเครื่องมือก็คือหลักการสแตนอาจจะบอกว่าต้องให้คนนี้คนให้คนเนี้อะไรนะนี่อันนี้เหมาะกว่านี่เรามีข้อมูลเครื่องมือตรงเนี้ยเราก็ไปพิสูจน์ไปดูเออคนนี้ใช่หรือเปล่าคนนี้ตรงกับข้อมูลหรือเปล่าเราเราอ่ะดุนพีของเราถามว่า ก็บอกแล้วนะถามแบบนี้เนี่ยเขาก็ต้องตอบส่วนมากเขาก็ตอบว่ารับซีแต่คำตอบเขาอาจจะไม่ใช่ไงคำตอบเขาเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องเพราะยังไงเขาก็เขามีความต้องการอยู่แล้วแต่เขาเหมาะไหมสมควรไหมเขาอาจจะมีสิทธิ์รับสกาศแต่อาจจะมีคนอื่นมีสิทธิ์มากกว่าฉะนั้นเจ้าของสกาศนี่จะต้องจะต้องศึกษาหน่อยต้องลงทุนหน่อยอยากมีเงินไม่ใช่หรอ มีเงินออกสากาศนี่ก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วไม่เหนื่อยนะเออมีเงินก็ต้องเหนื่อยถ้าไม่อยากเหนื่อยก็หลักฐาเหลือฮะดิษที่พูดถึงภาพปริบุญของการทำนักลู่บรรดาชนตะต่างในเดือนมกาได้เท่ากับค้อบรัวอันนี้เป็นไม่มีไม่มีแต่มีการเปรียบเทียบว่า ผลบุญของฟารดูใน ر ม ض ا ن เนี่ยผลบุนของฟารดูใน ر ม ض ا ة ه ن โดยเฉพาะการถือศีลดเนี่ยมากกว่าเจ็ร้อเท่าอันนี้มีห ادي ษะจนมีตัวบทชัดเจนว่าผลบุญของการถือศีุอดเนี่ยมากกว่าเจ็ดรอเท่าซึ่งอาจจะทําให้เราสามารถเปรียบเทียบได้ว่าการละหมาดฟารดูในรเดือนก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีผลบุญมากกว่าฟารดูในเวลาอื่นๆ เนื่องจากว่าหลักการศาสนาว่าสถานที่และเวลานี่จะทําให้ทั้งบาปรับบุญเนี่ยถูกคิดเยันเทวีคูณได้เหมือนมัตตาเนี่ทําบุญแล้วก็ได้แสนเท่าอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นโอลมาบางท่านบอกว่าก็เป็นไปได้ว่าการละหมาดซุนนะมาฟลูทั่วไปเนี่ยเดือนรอมฎอนนี่ก็อาจจะได้ผลระบุญมากกว่าการละหมาดซุนนะในเวลาอื่นๆได้เปรียบเทียบกับ กละหมาตรวียละหมาตเตรียมุลเลล่อวอะเตรียมุลเลลแต่ถ้าไม่ละมาตรอเดอรมดอนเนียได้รางวัลมากกว่าการละหมาตเตรียมุลเลล์ในค่าคืนอื่นๆละมันมันก็อมรโมดอนลมานินูฟิลามตุบล้างบาตลอดอดีตเลยซึ่งอันนี้เป็นผลละบุญมากกว่าผลละบุญปกติของการละหมาดเตรียมุลเลล์ในเวลาธรรมดาในเวลาอื่นที่ไม่ชิเดอรมดอนถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วนี่ก็เป็นไปได้ ว่าซุนนะเนี่ยพัตตารุ่ยเป็นซุนนะไงซุนนะนในเรื่องของตอนอาจจะมีผ ล, ลบุญมากกว่าผ ล, ลบุญของซุนนะและกานัฟลูในเวลาอัานเดนอันเด่นนนทัศนคุของผมนี่นะแล้วก็มีอุลมามะบางท่านนะนะเขาบอกว่าคือเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยที่มีการมีการพูดในตัวบทที่มุกเกนพูดว่าทำแบบนี้นะเอลลารอดจะลบล้างบาปหมดเลยอุลมามะบางท่านนี่ยเขาบอกว่าลบล้างเฉพาะบาปเล็ก ไม่ใช่บาปใหญ่บาปใหญ่นี่ต้องตาบัตตัวอย่างเดียวอันนี้ทัศนะหนึ่งอีกทัศนะหนึ่งบอกว่าถ้าอัลลอฮฺไม่ได้บอกว่าเป็นบาปเล็กหรือบาปใหญ่อย่างเดียวนะก็มีโอกาสที่อัลลอฮฺจะลบล้างทั้งบาปเล็กและบาปใหญ่และมีความเป็นไปได้ว่าจะลบล้างทั้งบาปเล็กและบาปใหญ่นี่เพราะการลงทุนในอแบดเด้นี้ไม่เหมือนกัรลงทุนในบดดอร์อื่นเพราะอแบาดอร์นี้ ที่อัลลจะลบล้างแล้วก็บอกว่ามันลบล้างทั้งบาปเล็กกับบาปใหญ่นี่โอ้ฝีรเลห์มันะขั้ดิมเินเดิมมันจะอัรมันต้องมี2องเงินไขอิมานนั่นแหละคืออัติสับบซึ่งความศรัทธาอย่างเดียวเนี่ยมันสามารถลบล้างบาปใหญ่นหคนที่ศรัทธาอย่างเงี้ยคนที่เพิ่งศรัทธาอย่างเงี้ยอัลลจะลบล้างไหถึงว่าคนที่ยังไม่ได้เป็นมุสลิมแล้วก็มารอิสลามเนี่ยลบ เล็กและใหญ่โดยใช่มะมยาวหมดเลยลบหมดเลยอันนี้ไงอีแมนันนี้มันลบได้ทำไมล่ะไมตรงนี้นะ่ะจะลบไม่ได้ละ่ะอัพติสามันหวังในผลละบุญจากอัลลอฮุ سبحانه และ تعالى เท่านั้นซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายการที่เราทําไมบางแล้วก็หวังในผลประโยชน์จากออมน้อยอย่างเดียวนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายฉะนั้นการลงทุนถ้ามันยากนะผลละบุญมันก็ต้องเยอะตามตามการลงทุนของมัน เราได้ไปละเมิดนะครับคนคนนึ่งนะครับเด็กเป็นนักพูนอาดำอ่ะแล้วก็เขาได้ถูกย้ายไปอยู่ที่นั่นเนีครับแล้วก็ผมไม่รู้ว่าผมได้โอกาสในเราละเมิดทําให้เขาถูกย้ายแม่ผมไปลงรือกับาเลยครับก่อนแล้วเขาเขาย้ายไปแล้วเขาไปที่อื่นได้เจอแต่แล้วเขาไปอยู่ที่อื่แล้วก็ผมมีความกังวล ว, ว่าอาจจะไม่ได้เจอไม่ได้มาอับเขาอะแต่วันนั้นที่ผมฟังยังถือเขาจะมาได้เลือกความดีเราอะผมไม่ยอมไม่อยากเข้ามาเลือกความดีเราเนี้ยครับมันไม่ได้ ไม่ยอมไม่ได้หรอกไม่สิทธิ์ของเราแน่นอนอันี้ันเี้ยอนบีได้บอกเลียถลลอะฮัดุคุมินอัคฮีจงเป็นง่ายๆนะจงหหลันกันไปายถึว่าขอมาอัพกันให้ยกยกยกโทษให้กันละกันกบ ل ا อัลลยาคูดิมุนดีนา วันนั้นกินนื้อฮัสน่าดูอัสยีแอดก่อนที่จะวันหนึ่งไม่มีดินดิรคือถ้าก็จะชดกันจะห้ั่นกันด้วยเออแต่ให้อภัยนั้นฉันให้แกล้านบาทแล้วกันมันก็พอจะไปได้แต่นี่วันเกียมานี่ยหาธนาคารกรุงเทพที่ไหนล่ะกสิกรไม่มีแล้วก็ความดีอย่างเดียวนั่นน่ะวันเกียมาเนี่ยอุตสาหกุลมาเ่ยงมุสลิมทั้งคืนนี่มันเอามาใช้เลย ยึดไปเฉยๆเลยเนียเสียใจตรงนี้เนี่ยฉะนั้นที่ดีที่สุดนี่นะอย่าละเมิดใครเลยเนี่ยฮักกุลอาดามีเนี่ยสิทธิของอาดามเนี่ยใรดที่สุดอันตรายที่สุดอุลามะจึงบอกว่า حقوق ขอลลอฮ์มันีตุนานัลมซามะฮสิทธิของอัลลอ์นี่อยู่บนพื้นฐานแห่งการให้อภัยอะไรที่เป็นสิทธิของอัลลอฮ์นี่ส่วนมากนี่อัลลอฮ์จะให้อภัยวะ حقوق ขุงอิบลด สิทธิของลูกหลานอาดัมเนี่ยนะแบบนี่ตุนาแลมูชาห์อยู่บนพื้นฐานแห่งความหวงแหนไม่ยอมสิทธิ์ของฉันเนี่ยต้องเต็มเม็ดเต็มหน่วยฉะนั้นที่ต้องระวังที่สุดนี่นะอย่าได้มีข้อพิาพาทให้เราเนี่ยเป็นคู่กรณีอ่าให้เราเนี่ยเป็นอย่าอย่าให้เราเนี่ยเป็นจำเลยเป็นโจทย์ได้เป็นผู้ที่เรียกร้องสิทธิอันนั้นได้ แต่หากว่าเราเนี่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นคนนี่ละเมิดเขาเนี่ยอันนั้นอนะ่ะเสี่ยงต้องพยายามหาลลันก็ต้องพยายามให้เขาอภัยกับเราให้เขายกโทษให้เราให้ได้เอาแต่ไปได้เราถึงได้เข้าถึงได้นะ่ะสมควรสมควรยิ่งถ้าไปช่วงนี้นะอาจจะอาจจะได้ผลละบุญนะไม่แน่ที่มันเป็นขาดทุนน่ะถ้าเราไปเนี่ยมันอาจจะพลิกกลายเป็นผลละบุญก็ได้ถ้าเราไปเนี่ ย, จจกกย เ, า เ, าเยขา อ, อาจจะซึ้งเขา อ, อาจจะ อาจจะเป็นอะไรที่เราไม่คาดคิดก็ได้คุ้มนะคุ้มคือมันมีบางกรณีที่ตามฝ่ายตามผิดนะครับแล้วก็มาขอมาอัพกันแต่อีกฝ่ายบอกว่าไม่ไม่ไม่ให้อภัยอย่างเงี้ยกูไม่ยอมในะประมาณเนี้ยแต่เขาอีกฝ่ายเจตนาชี่จไปขอมาอแล้วนะฮะก็ะตัดฝ่ายตัดผิดกันแหละ ได้ใส่เขาขออัพโดยโดยเจตนาดีได้ใส่ขาก็ไม่ไม่ไม่ดีให้มาอัพในสิ่งที่เขามีสิทธิ์ให้มาอัพได้เนี่ยอันนี้อันนี้ต้องอันนี้ต้องขอหมาสิ่งสิ่งที่เราผิดต่อเขาจริงๆอันนี้เราต้องขอแล้วเขาต้องให้ถึงจะรอดแต่ในส่วนที่เขาผิดเนี่ยในส่วนที่เขาผิดเนี่ยเขานี่ต้องขอมัพจากเราแล้วถ้าเขาไม่ขอมาอัพนี่นะอันนั้นนะเขาผิดทีนี้เราจะ เอาแพชชนแกะแล้วก็เหมารวมก็เขาผิดเราก็เราผิดแล้วก็ต่างคนต่างเขาเราก็ต้องต้องต้องยกเลิกกันเหมาเหมากันเป็นอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นต้องแยกเพราะวันเกียร์มันจะละเอียดทุกอย่างมันจะละเอียดถ้าเราเป็นฝ่ายละเมิดนะเราต้องขอมาเขาแล้วเขาต้องให้อภัยถึงจะรอดถ้าเขาไม่ยอมให้อภัยเนี่ยเป็นสิทธิของเขานะแล้วจะเป็นปัญหาาวิธีแก้ไขก็เอ่างที่เคยบอกก่อนหน้านี้ ถ้าเราปเป็นระมืดคนอื่นแล้วก็เขาไม่ยอมให้มาอัพเนี่ยก็มีวิธีเรื่องขอดูอาให้เขาแล้วก็ขยันขอมาอัพให้เขาเนี่ตลอดนะนะถึงเขาไม่ยอมแต่เราขอมาตลอดขอดูอาให้เขาทําบุญให้เขาแล้วก็สะสมผลละบุญให้ตัวเราเตรียมอันนี้กองทุนของคนนี้ <laughs> เต็มหมดเลยกองทุนของไอ้หมอนี่วอลเกีย ม, มาหนี่กูจะได้ไม่ขาดทุนมันเอามาเอานู่นน่ะแต่ถ้าเขาเป็นฝ่ายระมืดแล้วก็เรา แล้วก็แล้วเราไม่ให้อภัยเขาเนี่ยก็เหมือนกันเขาวันเกียมาเนี่ก็ต้องไปเคลียรแต่ถ้าเราจะคิดว่าอ๋อเขาก็ผิดฉันก็ผิดมันก็ต้องจบกันอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นแต่มันมีผมเคยบอกกับพี่น้องว่าถ้าเป็นผู้ศรัทธาด้วยกันแล้วอัลลอฮฺาตัดสินให้เข้าสวรรค์ทั้งคู่แหละพวกนี้จะข้ามสิรอดในข้ามสิรอดบนทาง น, นำ สะพานบนนรกยา น, นข้ามกันทั้งคู่แหละข้ามหน้าคู่นี่แสดงว่าเข้าสวรรค์ทั้งคู่นะแต่พวกนี้เนี่ยจะมีสะพานอีกสะพานหนึ่งก่อนที่จะเข้าสวรรค์สะพานนี้ก็จะมีแต่ผู้ศรัทธาที่จะมีสิทธิ์เข้าสวรรค์แต่จะไม่เข้าสวรรค์เนี่ยจนกว่าจะให้อภัยกันอันนี้สําหรับคนที่ถูกตัดสินแล้วว่าจะเข้าสวรรค์ทั้งคู่เลยก่อนที่จะเข้าสวรรค์เนี่ยเขาต้องมีกําลังใจพอที่จะ บังคับตัวเองให้อภัยเต็มที่เพราะการไม่อภัยเนี่ยมันเป็นมนทินที่จะห้ามไม่เข้าสวรรค์เพราะสวรรค์เนี่ยเป็นสถานที่แห่งความดีและความโกรธแค้นเนี่ยมันเป็นความสกรปรกและคนสกรปรกจะไม่เข้าสวรรค์อัลอลอฮ์ก็จะให้ผู้ศรัทธาที่ยังแค้นกันอยู่มีอะไรยังยังติดใจกันอยู่เนี่นะรอตรงนี้ก่อน ให้เคลียร์กันก่อนให้อภัยกันก่อนนะจะได้ข้ามสะพานนี้เข้าสุดสวรรค์แต่มันมีนะก่อนก่อนที่จะคนนี้ยังมีสิทธิ์ที่จะถูกตัดสินเข้านรกเนี่ยก็คือละ เ, เมิดคนอื่นเขาแล้วก็ไม่สามารถเคลียร์ได้นะก็อาจจะต้องเข้านรกอันนี้นี่นี่ความเสี่ยงมันอยู่ตรงนี้ เตรียมคหนึ่งหนึ่งท่านระบีแนะนำไปเยี่ยมคุโบอันนี้ช่วยได้เยอะแล้วมันมีทุกที่เลยไปมัสยิดที่ไหนที่มีคุโบแล้วก็เยี่ยงคุโบนึกถึงความตายสองไปเยี่ยมคนป่วยไปเยี่ยมคนใกล้ตายอยากพี่น้องเรานี่เราเขาแย่แล้วอะไปเยี่ยมเขามันจะช่วยได้เยอะเลยอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราสามารถไปเห็นกับตัวนะวันนี้นี่คือความตายเป็นอย่างนี้สองก็คือนึกถึงความตายตามตัวบทตามมาอะไรเนี่ยนึกนึกถึงตัวเองได้ แต่ที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือมุมินต้องฝึกฝนนอกจากว่าตัวเขาเองจะตายนะต้องฝึกฝนว่าทุกคนในรอบตัวเขาเนี่ยก็อาจจะตายพอได้ถึงจุดที่อัลลอฮ์ได้ทดสอบว่ามีคนหนึ่งคนใกล้ตัวนี่ตายแล้วนะมุซีบ้าตรงนี้เนี่ยเราเราพอที่จะสู้สู้ไหวเพราะเราทําใจไว้แล้วแต่คนส่วนมากที่นึกว่าเป็นคนนิรันนะ เขากันนิรันต์ญาพี่น้องกันนิรันต์นะพอใครตายแล้วอ้าวตายแล้วอ้าวแล้วนึกว่าจะไม่ตายอ่ะนึกว่าจะอยู่ตลอดอ่ะเขาไม่ได้ทําใจไงมันก็เลยเป็นมุสีบ้าใหญ่นะโอ้ว่าคนตายแล้วโอ้ยโวยวายมุสลิมก็ต้องมุสลิมต้องต้องต้องทำใจในเรื่องเนี้คือสมมุติฐานกับตัวเองตลอดมีลูกมีพ่อมีแม่มีพี่น้องมีภรรยาสามีเนี่ยก็ต้องทําใจให้มากที่สุดถ้าสมุดทองเขาตายท่านทำยังไง ก็ต้องทำแบบนี้หนึ่งตสองสามมันจะคุ้มไม่คุ้มนี่นะอันนี้ไม่มีใครรู้แต่ให้เขาคํานวณเองแล้วกันว่ะไปไม่มีมรอมเนี่ยก็มีบาปในทาสนาอยู่ตรงนี้นะมันมีบาปแต่ผลรบุนที่เขาจะได้เนี่มันก็นับเป็นผลบุนไม่ใช่ว่าไปไปไม่มีมรอมเนี่ยจะไม่ถูกนับเป็นแสนนะไม่ใช่นะไปทําบุญเนี่ยก็บุญมันก็คือบุญบาปมันก็คือบาปแต่ส่วนจะคุ้มไม่คุ้มนี่นะให้เขาครับคือบางทีเนี่ย เราไม่ได้มองแบบนี้คือเราไม่มุสลิมไม่คํานวณไม่คําอ๋อสมมติว่าไปไม่มลรอมเนี่ยผ ล, ลบุญสองคะแนนแต่ฉันจะไปได้ละหมาดมัสยิดฮารอมไปอมรอนนีเนี่ยแปดคะแนนอ่าแปดกับสองนี่นเะออคุม้มมันอาจจะไม่ไม่ได้เป็นแบบนั้นฮะมันก็ไม่เนี่ยผมบอกว่ามุสลิมเขาไม่มองแบบนั้นมุสลิมเขามองว่าถึงแม้ว่านี่อลัลลอฮ์เขาบอกว่า ถ้ามีโอกาสได้ทําบุญแต่มีในขณะทําบุญเนี่ยทําบาปไปด้วยสําหรับหลักการศาสนานะี่ยไม่ควรทําเลยก็นี่ไงมันไม่เสี่ยงนะมันมันไม่มีมรดมนี่ก็คือบาปแม่ไงนะมันไม่เสี่ยงนะถ้าเขายึดในทัศนะหรือไปกับบุคคลที่เขามีทัศนะว่าพอไปได้อะนะ ก, ก็จบมันก็ไม่บาปสําหรับเขาแต่ถ้าเขาเชื่อว่ามันบาปอะนะ ก, ก, ก, ก็ก็ต้องทําตามควเชื่อ ไม่ไม่ไม่เขาต้องตามดิถ้าถ้าเขาไม่รู้เนี่ยก็ต้องถามผู้รู้ achieve. ผู้รู้ที่ฝั่ตัวให้เขาเนี่ยก็เขาต้องเชื่อตามนั้นก็ได้ปฏิบัติตามนั้นถ้าเขาไปถามผู้รู้บอกว่าอ๋อไม่มีวารมก็ได้ก็อจบ อ, อืมมุสลิมเห็นว่าคุม้มแม่วาจิบเขาก็ต้องปฏิบัติชีวิตก็ต้องแตเ่เป็นไ ป, นปนตามนั้นนะต้องดํารงชีวิตตามนั้นแต่มีใครมาฝัตั ว, วบอกว่าอ๋อไม่วาจิบเ ข, ขาก็เชื่อแบบนั้นก็ต้องปฏิบัติตามนั้น อยู่ที่ว่าเราเชื่อแบบไหนในเรื่องที่มีความขัดแย้งกันนะเราต้องศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามความเชื่อพอานะลีซดก